เจรพรท่านสาธุชนพุ้ทธ่บริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสุนทนาถามตอบคาถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานสิงภาวนาใครที่สนใจมีคําถามอยากจะถามก็เชิญเข้ามาร่วมกัสนทนาถามกันได้วันนี้เราก็ไป ลง ต, ตอนที่เด็กก่อนเด็กชายนะคุณสัสดีครับตอน น, นนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่กรุงเทพค่ะไปกรุงเทพเลยอืมได้เจอพี่น้องใครบ้างเปล่มีพี่น้องไหมมีญาติพี่น้องไหมมีน้องแต่ค่ะะเด็กเด็ะ เจ้าคุณบอนถามกมุนกมนกม้นใส่คุณคนบอกว่าคุณสงสัยว่าอะไรอ๋อเขาให้ถามเขาค่ะว่าแล้วคุณสงสัยว่าอะไรมาถามค่าว่ามาถามตรงนี้ลูกถามแล้วค่ะว่าทำไมเราถึงไม่ใส่รองเทาง้าครูอาจารย์เออบางทีก็ใส่บางทีก็ไม่ใส่บางทีก็ใส่บางทีก็ไม่ใส่นั้งดีดีสิลูกแล้วยังไงดี น่าคงก็รู้แล้ววะเรียนยัไ ง, ง่งนี้โอเคค่ะ oh, <yeah>. yeah. มีคถาม้ค่ะแค่นี้ใช่ไหมคะอืม mm hmm. ค่ะจะมีคาถามใหม่ค่ะบนค่ะว่าอยากจะไปตักบาตรพระอาจารย์เลยเค่ะอะมาสิเสาร์อาทิตย์ก็มาได้นี่ไ้ค่ะนี้ไปจริงๆด้คำถามได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาเวลาไปค่ะพระอาจารย์ yeah. อ่าวันนี้ไม่มีคำถามค่ะปฏิบัติทุกคืนค่ะอาจารย์ยาสาธุอาจารย์ใคที่จะแม่กับเจ้าที่กราบนมัสการพระอาจารย์ครับเป็นยังไงวันนี้ยังมาส่งการบ้านเลยใช่ครับแล้วก็รายงานว่า น, นั่งสมาธิครับรายงานก่อยไหมครับก็คือตอนนี้นั่งเพิ่ม จาก15นาทีเป็น20นาทีนะครั บ, รบนั่ยังไงก็นั่งทําอะไรพูดโทรครับพูดโทรคร่ะใช่ค่ะได้เลย20นาทีครับรู้สึก ส, สงบขึ้นไหมก็สงบขึ้นครับมีความสุขไหมมีครับอืมชอบไหมชอบครับอ ชอบเล่นเกมกับชอบนั่งสมาธิอันไหนมากกว่ากัน <c> เ <oughs> จตีมองยัง <c oughs> ชอบเล่นเกมมากกว่าใช่ไหมครับทำไมเล่นเกมมันสนุกเลยสนุกชั่วคราวครับ <c oughs> นั่งสมาธิดีกว่านะใจจะเย็นใจจะสบาย นะครับโอเคจัตตี้นั่งได้เท่ากันนอเออเดี๋ยวนี้ไม่ค่ได้นั่งครับเพราะว่าต้องซอมกีฬาสีแล้วก็ตอนสมุนมันก็หลับเแล้วนอหลับที่ไม่จับหลับไม่ทำกับพี่เขาด้วยบางวันก็มีกันว้านเยอะสอบบางวันก็เหนื่อยแล้วก็นอนเลยครับแล้วพี่จัตตี้เขาไม่มีบ้างพี่จะมาชเขาไม่มีบ้างเหมก็ก็มีครับแต่ก็พยายามนั่งครับอืม พยายามมานั่งกับพี่เขาหนะของดี ด, ดีโอเคจะส่งการบ้านต่อเลยใช่ไหมใช่ครับหาามาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่งพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆ คือว่าเราจะต้องพลัดพร้ากต่ของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแด น, นเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆเสียไปไควรพิจารณาอย่างดีทุกวันทุกวันเทิรน ทำได้ไหมว่าเราต้องเราต้องเป็นอะไรบ้างทำได้แล้วทําทําใจได้ไหมก็ทําได้อยู่ครับนะไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจนะคร<ช>ับอืมเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายใช่ไหมใช่ครับอืมร่างกายเป็นเพียงอาการชั้นทสองเช่นมีผม ขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้ามหัวใจตับทังผืชไตปอดไยใหญ่ไยน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีสะนน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงือน้ำมันค้น น้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไข่ข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันค้นน้ำเงือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำสเตเดน้ำดีเยื่อในสมองศีสะอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไต ทังผืชดตับหัวใจนางเยื่อในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็กขน ผ, ผมเห็นร่างกายอย่างนี้แล้วยังอยากจะมีแฟนอว่อาหรอไม่เคยครอไม่เคยหรอไม่เคยนะยังไม่คิดถึงเนะืม หกายไม่สวยงามนะค่ะโอเคมีอะไรไหมไม่มีครัะแม่ไม่มีอะไรเลยหนูปฏิบัติอยู่พนันธรายงานความเจ้าหน้าที่นิดนึงค่ะของหนูก็นั่งสมาธิสวดมนต์ฟังธรรมพิจารณาธรรมเดินจงกรมแล้วทีนี้พอสงบแล้วก็พิจารณาไปพิจารณามามันก็เริ่มเห็นนะคะพ่อจารย์ว่าหนูเริ่มเห็นทุกข์แล้วค่ะเห็น ร่างกายเนี่ยมันทุกเห็นก้อนทุกข้างหน้าสองตัวนี้ก็ก้อนทุกอะคะ่ะคนอื่นก็ทุกเหมือนเราอะคะ่ะเหมือนเห็นว่าทุกคน่ะเสมอกันลูกเราลูกเขาก้อนทุกเคลื่อนที่อยู่ไปก็บําบัด ก, กันไปในแต่ละวันนะคะแล้วก็คิดอะไรไกลไม่ได้แล้วอะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมันไม่ได้เกิดขึ้นตามค์ น, นะอะไรย่างเงค่ะแล้วความทุกข์มันจะน้อยลงคะ่ะแล้วก็เหมือนใจมันก็ไม่อยากโกรธใครแล้วค่ะเพราะว่า เราก็เห็นแล้วว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็รูปเหมือนกันค่ะไ ม, ไม่ไม่มีเรื่องอะไรให้แบบไม่สบายใจหรอกนี่ในที่สุทุกคนก็ต้องแก่เจ็บตาหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นอยู่ด้วยความเมตตาต่อกันดีกว่านะค่ะอืโอเคเอ่าพยายามนั่งให้ผ่านทุกขเวทนา นี่คือความเจ็บของร่างกายถ้าเราผ่านทุกขเวทนาได้ต่อไปเวลาร่างกายไม่สบายเราจะไม่ทุกข์ความเจ็บปวยของร่างกายโอเคนะคคไปที่ตะวันต่อตะวันอยู่ฮอลแลนด์ครับมัสกัมพระช้างครับ เป็นไงครับสบายดีเหรออืมใช่ครับวันนี้ขม<ำ>ีนมีคำถามครับาว่มาม า, มาออผมไปกับเพื่อนที่ชายออชายหาแล้วผมก็เ อ, อ่อชื่ออะไรเก็บหอยเปลือกหอยไปเก็บเ อ, อ่อเปลือกหอยมาครับแล้วผมก็เก็บเออไปที่บ้านเอาไว้เออโชว์ให้เออเพื่อนแล้วเออแม่แล้วพ่อดูอันอันนั้ดีไหมดอไมดู ดีไหมนะไม่ดีนะก็เอามาทำไมล่ะเออเวลาเป็นปีเอ่อีวมันมีประโยชน์ได้นะไม่มียั่จริงแล้วมันมีโทษไหมอืมข้อมีถ้าเกิดมันหายไปจะจะเสียใจไห ม, มอืม ถ้ามีอะไรก็ต้องดูแลรักษาใช่ไหมใช่ค่ะอืมถ้ามันหายไปก็จะเสียใจมไม่ไม่ลไม่เวลาหมดก็ไม่ช่เสียจรจอืมถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปมีอะไรในบ้านมีเท่าสิ่งเท่าที่จำเป็นจะต้องมีอันไหนไม่จำเป็น จะดูยังไงว่าจําเป็นหรือไม่จําเป็นก็ดูว่าถ้าไม่มีมนันแล้วเราจะตายไหมถ้าไม่มีมนันแล้วเราไม่ตายเราก็ไม่จําเป็นจะต้องมีนะแต่ถ้ามันจําเป็นจะต้องมีถ้าไม่มีแล้วเราจะตายเราก็ต้องมีเข้าใจไหมถ้ามันมีอะไรแล้วมันก็จะต้องทุกข์กับมันไม่มากก็น้อย ว่าของทุกอย่างมันเป็นของไม่แน่นอนมันจะเป็นอะไรไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ถ้าไม่มีมันเราก็ไม่ต้อง ม, มีกมังวลกับมันไม่ต้องมีความทุกข์กับมันเข้าใจไหมอื่ <Okay. S 1> ถ้าไม่ได้มาก็วันนี้ก็ไม่ต้องมาถามว่ามีมไว้ดีไม่ดี ในทางวัฒธรรมทุกมครัมโดนแม่บ่นจืมถ้าไม่มีไม่ยุ่งกับอะไรได้ก็ไม่มีปัญห า, ถ, าถ้ามีแล้วก็ต้องมีปัญหาตามมาไม่มากก็ น, น้อยงั้นถ้าไม่มีได้ายางดีกว่าสบายใจกว่าไม่มีอะไรมาเป็นภาระทางหน้าจิตใจ นะเขาใจ่เอาเขาใช่ครับอืมคุณแม่ไม่ไรักเปล่าไม่มีสจ้าคพระอาจารยา์เรื่องๆครับพระอาจารย์โอเคท<ำ>ําทใจนะก็พยายามเมตตาตัวเองสจ้าค่ะพระอาจารย์ออย่าเอาความทุกข์มาใส่ใจไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของคนอื่นคนอื่นจะเป็นอะไรเราไป บ, บังคับไปห้ามเราไม่ได้ ก็พยายามท่องเอาไว้ใช่คหมคะพระอาจารย์ว่าทุกคนมันมีกรรมเป็นของของตนค่ะพระอาจารย์อันไหนที่ช่วยได้ก็ช่วยค่ะพระอาจารย์อืมก็ช่วยไม่ได้ก็ปล่อยต่อหมายนะเกือใจเราอย่าไปทุกข์อะไรกันค่อย่างวันนี้วันนี้มันอย่างปกติโยมจะไม่ค่อยแต่งหน้าใช่ไหมคะพระอาจารย์วันนี้วันนี้แต่งก็ก็มองหน้าตัวเองก็ท่องพูดกับตัวเองค่ะพระอาจารย์ว่าอีแก่หนังเหี่ยวตายก็ยากค อีแก่หนังเหนียวตายก็ยากค่ะเบื่อแบบว่าเกิดอะไรขึ้นมาในอนาคตนี่คือว่าพูดจากตัวเองไม่ก่อนจะได้ไม่เจ็บมากหรอพ่อจันอ่าแล้วมันเกี่ยวอะไรแต่งหน้าเลวยนะความสวยไม่คงที่คะ่ะพ่อจัยความดีสิคงทนอ่าสวยภายใน ด, ดีกว่าสวยใจดีกว่าเดี๋วยวข่าวัร้อมใจไม่มีวันพลกไม่มีเสื่อมแต่สวยกายนี่มันต้องเป็นไปตามเวลาของมันค่ะ สวยใจมันยิง่งสวยอายุยิ่งมากขึ้นยิ่งสวยใหญ่ดูครูบาอาจารพระสงฆ์องค์เจ้าท่านนั่งกายทั้งแก่ลงแก่ลงแต่ใจท่า น, า น, า น, จ, านจับสวยมากขึ้นมากขึ้นอสวยางามใจเนี่ยสวยได้ศีลธรรมสวยด้วยความเมตตากรุณาอสวยงามได้ปัญญา ยิ่งยิ่งแก่ยิ่งสาวนี่คงเป็นไปไม่ได้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ว่ายิ่งแก่ยิ่งสวยสวยด้วยธรรมะกับยิ่งแก่ยิ่งรวยรวยอรยสัจอย่างนี้คือพอเป็นไปได้สินะถ้าเป็นภายในได้อรับภายในอันนี้ยิ่งยิ่งสร้างยิ่งปฏิบัติมันก็ยิ่งได้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะอยู่กับเราเป็นสมบัติของเราไปตลอดไม่มีวันจากออกไป <Okay S 2> โอเคนะขอขอบพระอาจารย์อ่าอาจารย์คุณหมอพี่เชนเชนหมอพี่เชนกล่าวนมรดกการพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายความเป็นจริงของโลคนี้ครับอาจโลกนี้ครับโลกนี้ก็เป็นตายรักเนี่ยความเป็นจริงของโลกนี้เป็นโลกที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอันนี้จะมอืม เวการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นขึ้นลงลอืมแล้วก็เป็นทุกข์สำหรับผู้ที่ไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เราพยายามให้มันไม่เปลี่ยนเพราะมันเป็นอนัตตาสิ่ ง, งต่างๆในโลกนี้มันเป็นอนัตตามันไม่มีมันไม่มีตัวไม่ติมมันเป็นสภาวะทางธรรมชาติ ทำจากดินน้ำลมไฟทำจากธาตุทั้งหลายเราก็ทุกอย่างประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่หรืออาจจะอาจจะธาตุอย่างเดียวก็ได้ถ้าเป็นน้ำอย่างงี้ก็มีแต่น้ำขุณนนวนแต่ถ้าเป็นสิ่งอต้นไม้ร่างกายของค น, นของสัตว์นี่มันก็ทำมาจากธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ แล้วธาตุทั้งสีนี่มันก็มันก็อยู่ของมันตามลาพังเมื่อธาตุน้ําก็อยู่ของมันตามลาพังเช่นน้ําในมหาสมุทรธาตุลมก็ลมที่มันพัดไปพัดมาธาตดินก็พื้นดินที่เราเหยียบเนี่ยธาตุดินธาตไฟก็คือความร้อนแล้วทั้งสี่ธาเวลามันมาเจอมันมาเจอกันไันก็มาผสมผูกแต่งทําให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นมา ทําให้เกิดต้นไม้ใบหญ้าทาให้เกิดกร่างกายของสัตว์ชนิดต่างๆของมนุษย์เนี่ยเกิดแนละ้วมันก็ดับไปมันมารวมตัวกันชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็ยากมันก็ออกจากไปอืใจคือถ้ารู้ว่าอันนี้ก็เป็นก็เป็นสภาวะธรรมชาติอีกอัหนึ่งแต่ไม่ได้อยู่ในโลกนี้อยู่ในโลกทิพยามีความสามารถที่จะมาเอ่ มาติดต่อกับร่างกายได้ผ่านทางตาหงจมูกนิ้วกายเพื่อที่จะรับรูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาทางตาหงจมูกนิ้วกายไปเสกใจเป็น้าตรงนี้มีความหิวความอยากเป็นเหมือนคนติดยาเสพติดติดรูปเสียงกลิ่นรสผุิธภัก็ mm hmm. กต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือ เวลาจังหวะถ้ามีการก่อสร้างร่างกายขึ้นมาไดมีการตั้งคันท่านรู้นี่ก็ก็จะส่งตัวตัวมารับตัวที่มารับนี้เรียกว่าวิญญาณมารับรูปเสียงกลิ่นรสไปให้กับใจผู้เป็นท่านรู้ท่านรู้นี่มีความรู้มีความสามารถที่จะรู้่อรูป พอสัมผัสกับตาแล้ววิญญาณรับมาส่งมาให้ใจใจก็จะรู้ว่าอ่นมีรูปมีรูปให้เห็นให้เห็นนะให้รู้แล้วแล้วหลังจากนั้นก็ยังมีความสามารถที่จะวิเคราะห์จําได้มาให้รู้วิเคราะห์ว่าเป็นรูปอะไรเป็นรูปที่ใครเห็นมาก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็สัญญาแลทำมาได้วิเคราะห์แล้ว ก็จะสรุปว่าดีก็ไม่ดีเป็นคุณหรือเป็นโทษเอาเป็นคนก็เกิสุขเวทนาอันนี้ก็เป็นความเป็นคุณสมบัติของของธาตุอีกอันหนึ่งสามารถรับรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาแล้วก็มามาแปลความหมายของรูปเสียงกลิ่นรสมาว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสอะไรดีหรือไม่ดีอันนี้หน้าที่ของสัญญา พอดีก็เกิดเวทนาดีเมื่อไม่ดีก็เกิดสุขทุกเวทนาขึ้นเหมือนแล้วก็พอไม่สุขทุกเวทนาใหญ่ก็ยังมีสิ่งหนึ่งก็คือสังขารความทิดปิปงแต่งคิดว่าควรจะทำอย่างไรดีใจที่มีความหลงมีความละความชังอยู่ก็จะ สั่งการไปให้ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับรูปที่ได้เห็นถ้ารูปเป็นให้สุขเวทนาก็ให้ไปไปครอบเอามาครอบคลองกันนะมันเป็นสมเหตึ่งถ้าเป็นรูปที่ทำให้เกิดความทุกขเวทนาก็ให้ให้หนีไปให้กาจัดมันถ้าไปกําจัดได้อันนี้ก็คือหน้าที่ของสังขารการคิดปุงแต่ง แล้วมันก็วนไปเวียนไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆถ้าทําตามคําสั่งได้ก็ก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าทําแล้วมันทําตามคําสั่งไม่ได้อยากได้แล้วไม่ได้ก็ทุกข์ขึ้นมาอยากให้มันหายไปมันไม่หายไปก็ทุกข์ขึ้นมานี่คือปัญหาของธานุนู้นที่มาเกี่ยวข้องกันโลกธาตุสิ่งต่างๆที่มีในโลกธาตุทั้งสี่เช่นรูปเสียงกลิ่นน้ำยนต์ชั้นเรรสื่อเนื่องจากมีความหลง หลงไปรักไปชังในสิ่งต่างๆวิธีแก่ก็คือก็อมาทําใจให้หายหลงให้เห็นว่าทุกอย่างเหมือนกันหมดเป็นอันนี้จังเหมือนกันหมดเป็นดินน้ําลงไปอฟไม่มีความไม่มีอะไรที่จะไปรักไปชังมันไม่มีเหตุอะไรที่เราไปรักไปชังมันรักก็ทุบชังก็ทุกถ้าไม่อยากจะทุบ ก, ก็ฝึกจิตทำจิตให้นิ่งสงบให้เป็นอุเบกขา ทำจิตให้นิ่งเฉยๆพอเจออะไรก็อย่าไปปุงแตง่งอย่าไปย้ำได้ไหมรู้ว่าเป็นเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นดีไม่ดีให้มองว่าเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาแทนให้มองว่าเป็นแค่สภาวะาธรรมธรรมชาติเหมืนอนดินฟ้าอากาศต้องดีไม่ดีเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เขาเกิดเขาดับเขามาเข้าไป อินทรากายก็มาไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาร่างกายของคนของสัตว์เนื่องสิ่งต่างๆที่ประกอบขึ้นมันก็มาแล้วก็ไปเกิดลักษณะอนิจจนให้เปลี่ยนสัญญาท่านนี้จะเห็นว่าเป็นเป็นสิ่งที่น่ายินดีน่ารักน่าชั่นก็เปลี่ยนหนึ่งเปลี่ยนเป็นว่ามันไม่มันมันเป็นไม่เที่ยงเป็นอนิจจมันเป็นอนัตตามันเป็นแค่ธาตุที่มารวมตัวกันชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็ แยกตัวกันออกไปอันนี้สวนหน้าที่ของของใจถ้าต้องการที่จะไม่ไปทุก์กับสิ่งต่างๆต้องสอนใจให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเป็นนิ่ง น, น้ำลมไฟเป็นธาตุถ้าไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันไม่อยากให้มันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา ไม่อยากจะทุกก็อยา่าไปอยากให้รับรู้เฉยๆไปอยู่กับมันไปจนกว่าไม่ต้องกลับมาอรู้ว่าลโลกนี้เป็นทุกข์โลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังน่าตาเพราะร่างกายที่ใจมาติดต่อด้วยเมื่อตายไปก็ใจก็จะหยุดไม่กลับมาติดต่อหาร่างกายใหม่ต่อไปไม่มาเกิดใหม่ ถ้าเห็นว่าโลกนี้มันเป็นตายรักเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาทุกอย่างเป็นทุกข์หมดลูกพ่ะมันไม่เที่ยมมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสือ่อมอนัตตามันไม่มีตัวตนมือนเป็นแค่สภาวะ ท, ทางธรรมชาติินน้ำลนไฟนี่ก็คือเรื่องของของของใจที่มาหลง รักรักมามาลักมาชอบสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้หรือลาบยศเสร็เสริญแล้วความสุขอยา่อยางรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นทุกขเพราะว่ามันไม่เที่ยงมีมีเกิดแล้วก็มีดับมีเจริญแล้วก็มีเสืมมันไม่มีคุณค่าราคาอะไรเลยสมให้คุณค่าราคามันเองมันเป็นท่าตหมือนน้ำลมไฟ อนนาบัตินี่มันเป็นธาตุนี่นนเป็นกระดาษนี่มนะของคํามันก็เป็นธาตุนี่นเราก็ไปให้คุณค่าไปเองเอ็นจินดามันก็เป็นธาตุด้านดินนะู้นแต่เราไปหลงให้ไปให้คุณค่าแล้วก็มาแยกกันมาซื้อกันขายกันฉลาดในง้กันเราเนี่ย มาแย่งงันมามาชิงดีชิงเงินกับทา่านกับท่านดินท่านน้ำกับพวกของที่ขายในใส่ขวดทั้งหลายเนี่ยน้ำบางชนิดขวดเป็นแสนก็นมีใช่ไหย ม, มันมเป็นเป็นเปนเป็นราคาขึ้นมาได้ไงพราะมันเหอกันอยากจะได้กันเอาก็บอกมันดีอย่างงั้นดีอย่างนี้ก็เลยโอ้ฉันมีเงนินฉั้นต้องซื้อมาละประมูลแข่งกันเอง ในแทนมันก็เป็นแค่น้ำไม่ก็มีกลิ่นมีสีมีรสได้แค่นี้นี่คือความหลงอำให้ธานมุ่งมามามาม า, มา ม, า, ม, ามามีร่างกายมาครอบครองร่างกายแล้วก็มาทุกข์กับสิ่งต่างๆทุกข์กับร่างกายร่างกายก็ทุกข์ร่างกายเกิดแก่เจนน็บตายร่างกายก็เป็นตายน่างรางยศสรรเสริญศุกก็เป็นตายนนะ่ ทุกอย่างมันเป็นตายรักเหมือนเพมันเป็นตายรักมันก็ต้องเป็นทุกข์นะแล้วมีใครได้้เอาอะไรไปได้ไหมเนี่ยเป็นมาเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านพอร่างกายตายไปมันหมื่นล้านแสนล้านมันไปไหนมันก็อยู่ที่โลกนี้แหละมันก็เป็นท่าตเหมือนเดิมบ้านก็ยังเป็นหน้าบ้านที่ดินมันก็เป็นที่ดินเดินไปซื้อกรมาสิตนะครอบครัวถมีที่ดินหมื่นหมื่นหมื่นหน้มี บ้านเหมือนเหมือนหลังไม่นั่งไปทำอะไรได้ไของเยอะๆดับความทุกข์ใจได้ ไ, ม, ไม่มีกลับสร้างความทุกข์ใจให้ตลอดเวลาต้องมาศึกษามาทำความเข้าใจหาวิให้รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องกับสิ่งต่างๆก็คือให้รู้ทันแล้วก็ปล่อยวางรู้ว่าเขาไม่เที่ยงเขาเป็นทุกข์อย่าไปยุ่งกับเขา มันเป็นแค่ธาตสี่นินน้าลงไปก็ไม่ได้มีความวิเศษวิโสอะไรเราไปให้ความวิเศษวิโสกันเองแล้วก็หลงกันแยกกันชินดีชิงเด่นกันฆ่าฟันกันพอไม่หลงแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่อะไรอยู่อยู่ในปากก่าคนเดียวสบายกว่าเขาอยากจะรวยก็รวยไปเขาอยากจะมีอะไรก็มีไปเราอยู่กับความว่างใกว่า ความว่าไม่มีวันไม่เที่ยงความว่าเป็นของที่มันต้องว่างเหมือนเดิมตลอดเวลาไม่เกิดไม่ดับไม่เจริญไม่เสือ่อมครับ้าใจมากขึ้นมากครับอาจารย์กลับขอบคุณอย่างสูงครับโอเคคุณที่จะมาเชิญเป็นไง า, า, ารับานอาจารย์ เอาเอาเอาธาตุธาตุดินให้สักก้อนดีใจที่ใสๆเงาเงาเงี้ยไม่ไม่เอาค่าะอาจารย์ไม่เอาค่ะไม่อยากเก็บรักษาค่ะเอามาโชว์เดี๋ยวโจมันเห็นจะได้มาป้นมาท <c oughs> ี่เราถันมีถ้ามีแล้วมาเก็บไมก่ก็ไม่ก็ไม่มีใครรู้ก็ตอเอามาโชว์มาอวด บวดแล้วก็ม right> ีความสุขเพราะฉัน mm มีน hmm> hey, ั่นฉันม mm ีน hmm> ี่อาจารย์โอเคไม่มีอะไรนะคุถามค่ะอาจารย์อาจารย์ท้านอยางไนอะมคะอือวิารกายันไปนหน้าปังรับค่ะอาจารย์ปฏิบัติทุกวันค่ะโอเคคุณยายกับสันโดด ายายได้ยินไหมมรสการค่ะพระอาจารย์ยายหลับเลอค่ะแม่ดูอยู่ค่ะนนแต่นั่งอยู่เบ้างหลังเลยอมองไม่ค่ยรู้หรือ่อเป็นงไงคณุณยายวันนี้สบายดีไหมก็สบายดีค่ะอยู่บ้านเหมือนเดิมค่ะก็ไหว้บ้านสวดมนต์อยู่นะคะทุกวันเลยค่ะดีที่สุดก็คือบ้านของเรานออกไปข้างนอกเรานก็วุ่นวาย มัรู้มันรู้จะไปเจออะไรบ้างหไหมมักชอบไป้งนอกครับผมอาจารย์วันนี้พาคุณยายมากาะอาจารย์เช่นเคยครับแล้วก็มีเรื่องจะมีกันบ้านมาส่งเพื่อจ์วันนี้ที่โรงเรียนมีผ่าตัดปอดหมูครับผมแล้วก็เออก็มานั่งตอนที่ผ่าก็มานั่งพิจารณาไปก็ ดูดูสีดูสันฐานดูรูปร่างลักษณะของปอดของหมูแล้วก็มานั่งกลับมาย้อนว่าเออปอดหมูมันก็คงเหมือนปอดคนนะไม่งั้นก็คงไม่ให้เรียนปอดหมูหรอกอันก็เลยมานั่งวิจารณาปรากฏว่ามันก็สงบไปเรื่อยๆครับอาจารย์เอความไม่ตาพระอาจารย์ชี้แนะเลยคยยรับก็รู้จะชี้อะไรอันชี้อะไรอันนี้ถูกต้องไหมครับผมอาจารย์ มันก็อวัยวะของเขาของเราก็มันก็คล้ายๆกันก็มีปอดแล้วก็มีปอดก็มีไตแล้วก็มีไตายทีนเราไม่สามารถผ่าของเราออกมาดูได้ก็ไม่เอาหมูมาผ่าแทนกรรมของหมูไป <c oughs> <c oughs> อารมอามณ์ยิงของคนก็มีแต่เขาให้ไปให้นักศึกษาที่เรียนสูงกว่าระดับเราต้องเป็นนักศึกษาแพทย์เขาจะเอาคุน ขอร่างกายของคนมาผ่าให้ดูไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นภายในแต่เขามีเจตนาไม่เหมือนกับทําธรรมะทางโลกเขาผ่ามาเพื่อจะศึกษาว่ามันเป็นอย่างไรมันทําหน้าที่อย่างไรเวลาที่มันเป็นอะไรไปรักษามันอย่างไรเมันจะไม่มองในลักษณะนั้นแต่ทางธรรมนี้เขาเราจะไม่ได้มองแบบนั้นมันจะมองในลักษณะ ว่ามันเป็นส่วนที่ไม่น่าดูไม่น่าชมขยะขยะแขยงถูกซ่อนเอาไว้ภายใต้หนังไมยทำให้เป็หลงเห็นว่าร่างกายนี้สวยงามได้เห็นจากภายนอกเลยว่าสวยงามถ้าอยากจะคลายความหลงก็ต้องเปิดดูข้างในสมใจก็ได้กันตอนการปฏิบัตินะ เพิ่มครับผมกัจารย์แล้วก็มีประมาณนี้แล้วก็จะตอนนี้ฝึกสมาธิกับปัญญาอย่างเค้่งคัดแล้วก็พยายามทานให้น้อยลงครับพยายามแสดว่ายังไม่น้อยเ่ยพยายามก็ มันมันไม่เพิ่มครับผมอาจารย์แต่ในขนาะเดียวกันมันก็ลดไม่มากครับผมอาจารย์มันลดแต่มันลดไม่มากครับผมอาจารย์แล้ไมเวลามันขึ้นมันขึ้นมากได้นั่นนะสิครับอาจารย์น่าสงสัยจังเลยนะครับเราจะเป็นพ่อร่างกายของลังจรย์เติบโตอยู่วัดี้นะมันก็เลยขึ้นเป็นธรรมดาครับผรอาจารย์ แล่วก็ไม่ควรอ้วนกว่านี้ไม่งั้นเดี๋ยวสอบรอรอดไม่ผ่านครับาจาจันทุกครั้งเวลาก่อนจะรับประท า, านาก็พิจารณาความเป็นปฏิคูนว่าอาหารนี้ต่อไปมันก็จะอต้อ ง, งกลายเป็นสิ่งที่เป็นปฏิคูนพอเข้าไปในน่านตายแล้วถ้าเราเอามันออกมามันก็ไม่นา่าไม่น่าดูน่ากินแล้วใช่ไมเราเอาอาหารที่เราเคี้ยวอยู่ในปากนี่คายออกมาดูครับป้า ถ้ามางทีอาเจนออกมาจากในท้องเห็นแล้วอยากจะโกยกลับเข้าไปในทอ้องใช่ไหมไม่อยากแล้วครับแม่จ์หยิ่มขึ้นมาเลยครับในเวลาถ่ายออกมาจะไม่เอาแล้วครับแม่จั์กดกดทิ้งไปเลยครับไม่เอานะคะพยายามนึกถึงภาพเหล่านี้เวลาหิวเวลาอยากจะกินอาหารโดยที่ที่ไม่ไม่จำเป็นจะต้องกินก็ให้นึกถึงภาพเหล่านี้ น้ำหนัวได้น้ำหนักได้เยอะ<ม>ต่อไปพระอาจารย์ก็คงไม่ต้องถามผมแล้วว่าทําการบ้านมาไม่ทําการบ้านมาแค่ดูหน้าพระอาจารย์ก็คงรู้ตรวจได้แล้วใช่ไหมครับไ ม, ไม่ต้องไม่ต้องมานั่งถามไถยแล้วพระอาจารย์ดูพระอาจารย์ก็ตรวจเช็คได้เลยว่าผ่านไม่ผ่านมันก็บอกในตัวมันอยู่แล้ว มันพองขึ้นมันยุบหลงพองหนอนแล้ยุบหนอเอ๊ะจากวิปัสสนาใจไปนี่ก็วิปัสสนายุบหนอนพองหนอนไม่เทียมเหมือนกันนะอาจารย์ได้ครับก็กลับไปพิจารณาอาหารครับแล้วก็กลับไปทั้งปัญญาทั้งสมาธิทําทั้งสองอย่างทําทั้งสามอย่างครับ <ผ>ลองทำดูแล้วลองกินมื้อเดียวดูพอพอจะกินมื้อที่สองที่สามก็ให้นึกถึงว่าปฏิกูลของอาหารแล้วมันก็จะกินไม่ลง <laughs> ทุกวันนี้เวลาจะทานอะไรเยอะๆก็คำคาพูดพระอาจารย์ก็จะลอยเข้ามาบอกเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค <laughs> นผมก็จะช้อนมันก็จะตก <laughs> ตนมมาจะเหมือนเห <laughs> มือนเวลาลูกศิษย์ เหมื like mm hmm. อนกลัวอาจารย์อย่างเงี้ยก okay. ็จะก็จะไม่กล้าได้ครับเดี๋ยวกลับไปทำอยังพวบกลุมนะพวกกลุมตั้นหาความอยากถ้าไม่ควบคุมมันจะพาให้เราไปสู่ความทุกข์ความหายนะออกไปได้ครับอาจารย์กลับไปปฏิบัติครับอาจารย์ทักานแข็งแรงครับบุญญาสุขภาพแข็งแรงอยู่ไปนานๆนะ อยางน้อยอย่าเราได้ถึงท่านอยู่เสมอนะคะอย่างใครที่คุณตายพัทยาคุณตายยังไงสีบแปดหิวไ่เข้าเย็นไม่อะค่ะมันก็เริ่มชินไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์น้ำหนักลงไปเยอะเลยดีไหมดีไหดีค่ะไม่ต้องเต้นไม่ต้องไปมีนขึ้นเนี่อะไรให้มันเสียเงินเสียท่ามาบานะ ใช่คะ่ะพระอาจารย์เป็นอะไรที่มันอยู่ที่ใจอย่างเดียวเลยคะ่ะพระอาจารย์ว่าเราจะจะสู้กับมันได้หรือเปล่า<ม>บางทีเห็นสิ่งที่อยากกินก็เราว่า ม, มันไม่กินเราก็ต้องปัดทิ้งออกไปแล้วก็ต้องคิดให้ทันมานะคะคิดให้ทน<ม>ันความอยาก<ม>แล้วก็ทิ้งมันออกไปค่ะอาจารย์ถ้ามไม่ทันก็เอาปัญญามาช่วยหนึ่งไม่ก็ได้ปฏิก굴นะึกถึงเวลามัน เข้าไปในร่างกายแล้วมันกลายเป็นของปฏิคุณบางอด่างนะคะพระอาจารย์ <c oughs> <c oughs> แล้วก็โยมมีอวันนั้นวันก่อนโยมสอนลูกยอมว่าเออให้มันทําบุญทําทานไปเรื่อยๆเนี่ยที่เกิดมาที่ลูกเกิดมาแล้วมีกินมีใช้เนี่ยมันเกิดจากกรรมเก่าชาติที่แล้วมันไม่ใช่ชาติปัจจุบันนี้ไม่รู้โยมสอนลูกถูกหรือเปล่าครับอาจารย์ก็ <c oughs> ถูกทําบุญน่ะดีบุญก็จะมาส่งให้เรามา มีมีซ้ำมีอะไรต่างๆไม่ต้องไปเป็นขอทานเจ้าค่ะอาจารย์แล้วเสร็จแล้วโยมก็มาหวนคิดถึงคนที่แบบว่าทําไม่ดีกับพ่อกับแม่เอในชาติปัจจุบันเนี่ยคะ่ะอาจารย์ที่เขาแบบว่าไล่พ่อไล่แม่ออกจากบ้านทั้งที่บ้านหลังนั้นเนี่ยเป็นบ้านของพ่อแม่พ่อแม่เขาเองเนี้ยคะ่ะแล้วก็ตอนตอนที่เขาไล่พ่อไล่แม่ออกไปนั้นนะ่ะ เขาตัวคนไล่เนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่อย่างเงี้ยพระอาจารย์แต่ว่าพอพ่อแม่เขาตายไปแล้วโดนไล่ออกจากบ้านแล้วก็ตายไปแล้วเน่ะครอบครัวของคนที่ไล่อ่ะก็ล่มจมไปอย่างนี้มันเป็นกรรมในปัจจุบันแต่ทําไมมันส่งผลเร็วคะพระอาจารย์ก็ไม่แน่บางอย่างกรรมันบางทีมันก็ส่งเร็วบางทีก็ส่งช้าอังนั้นาก็อย่างไป อย่าไปกังวลกับมันถ้ามันไม่ส่งผลก็ไม่เป็นไรจนถึงเวลามันก็จะส่งผลขอวมันเองเราไม่สามารถที่มันเหมือนฝนตกอจะเป็นบางวันฝนตกบ่อยแล้วกันทีแล้วกันบางวันทิ้งช่วงไปมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะไปอควบคุมบางครั้งมันได้สิ่งที่เราทําได้ก็คือเชื่อว่ามันมีจริงทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนี่เป็นของจริง พน า, ามันผลมันจะเกิดเมื่อไหร่นันมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่รู้กันเร า, าม่รู้ว่ามันมันมาจากบันจากเหตุปัจจุบันแล้อไปเห็นในอดีตเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเจ้าค่ะก็โยมก็คิดว่าเอ้ยโยมสอนลูกถูกหรือเปล่าเพราะว่าบางคนกรรมที่ทำกับพ่อกับแม่นะเนี่ยเอ้ทำไมเขาส่งผลเร็วแต่ว่าลูกสอนให้ลูกลูกชายกับลูกสะภ้ายทบุญบอกว่าทาให้เธอเนี่ย ทุกวันนี้ที่มีกินมีใช้เนี่ยก็เพราะว่ากรรมจากอดีตแล้วก็ชาติที่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราทําแล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้บรรลุเราก็ได้กลับมาเกิดในเอชาติตระกูลที่ดีมีครอบครัวที่มีธรรมะ ม, ม, มันก็จะอยู่อย่างเนี้ยวนไปไม่ให้ตกต่ํามากไปกว่า น, นี้สอนลูก อ, อย่างเงี้ยค่ะสอนให้เกิดในสุคติไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นสัตว์ในราชานแล้วค่ะพระอาจารย์ วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วคะ่ะเพราะว่าอเอามาเรียนถามพระอาจารย์ได้ให้กระจางใจแค่นั้นเองคะ่ะพระอาจารย์มันต้องเข้าใจว่าวิบากกรรมมันมั น, ม, นมันไม่ไม่มีอะไรแน่นอนเราก็ไม่รู้เป็นวิบากของกรรมอะไรที่เราทำมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ให้เชื่อว่ามันมีจรงิงทําดีแน่ดีทํำชั่วแน่ชั่วในมีจรงิงเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ลูกก็ น้ำตาเชื่อในกฎแห่งกรรมไหมนะคะนึเชื่อโดยสนิทใจสิ่งที่เราจะมองเห็นผลของกฎแห่งกรรมได้ชัดเจนก็คือในใจเราความรู้สึกตรงกลางที่เราทาบุญใจเราจะมีความสุขครงกางที่เราทําบาปใจเราจะมีความทุกข์อันนี้คือคผลผลที่เกิดขึ้นชัดเจนแต่ผลที่จะเกิดกับ อนนางนานี้มันแม่มนไม่แน่นอนเ้าค่ะแต่ตั้งแต่โยมมีศีลมีธรรมะในใจมีทุกอย่างที่แบบที่ว่าเราไม่ฆ่าสัตว์แล้วไม่ไม่คิดคดไม่อะไรไม่คือพยายามทำแต่ความดีอย่างเงี้ยพระอาจารย์โยมว่าโยมว่าโ ย, ยมสวยขึ้นทีนีพระอาจารย์คุยกับ น้องตะวันเมื่อกี้กับแม่น้องตะวันนะคะแต่โยมกําลังบอกว่าเมื่อก่อนโยมอะเป็นคนดื่มเป็นคนแบบยังเที่ยวอยู่ยังนู่นนี่นั่นอยู่อะไรเงี้ยโยมรู้สึกว่าไปมองรูปเก่าๆกับรูปที่มันแบบหน้าตาที่ปัสจากเครื่องสำอางที่แบบว่าเอ๊ะมันดูดีกว่าเดิมมันดูมันดูใสไปด้วยไปมาใจใจใจที่ดีมันก็ทําห้ส่งผลให้ร่างกายมันดูดีขึ้น ใ, ใจไม่ดีมันก็ทําให้น้ำกายหน้าตาดูข้ามเค่งไปข้ามเครด์ค่ะ ท, ทางที่เมื่อก่อนนี้รู้สึกว่าอุ้ยสนุกกับมันมากเลยสนุกจะไปที่ไหนจะไปเที่ยวจะทําจะแต่งผมจะแต่งหน้าจะแต่งเล็บอะไรเงี้ยแต่ดูดูว่าใจมันเหมือนมีความสุขแต่พอเรามีทำมากมากขึ้นยมก็รู้สึกว่าเออมันมันกลับไปดูรูปแล้วมันมันไม่ได้สวยอะไรเลยพระอาจารย์ดูตอนนี้ยังดูดีมากกว่าอีกอ ัไม่ต้องไม่ต้องเสมสวยด้วยไม่ต้องแต่งหน้าทาปากเลยใช่ค่ะแค่นั้นใจที่ดีมันจะทําให้ร่างกายดูดีตามมาค่ะอันนี้เป็นเป็นผลรู้สึกว่ายมรู้สึกว่าเออมันมันมีผลกับจิตใจแล้วก็ออกมาถึงข้างนอกมันก็ส่งผลให้เราได้เหมือนกันค่ะพระอาจารย์โอเคขอให้ทําไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะนะครับขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยค่ะที่เอาธรรมะมาสอน จนแบบยอมให้มีจิตใจที่ดีขึ้นแล้วก็อ่อนโยนขึ้นแล้วก็ปมโมโหก็น้อยลงจิตใจทําบุญนทำทานก็มากขึ้ น, นะค่ะพระอาจารย์กราบสาธุค่ะพระอาจารย์สาธุสาธุสาธุค่ะไหนที่อาจารย์ผรบม่อลายเชิญอาจารย์วันนั้นนักเรียนนอนหรือยังอยู่ค่ะอยู่ค่ ะ, คะกราบนมสักกา ร, รมพระอาจารย์ค่ะ ครับเนาะอาจารย์ครับอืาตอนนี้แข็งแรงดีใช่ไหมขับรถได้ยังถูกต้องครับขับรถได้ยังขับรถได้ครับไปเล่นกอล์ฟมาแล้วสองวันครับอ่าเนี่ยเาลังกายแข็งแรงทำงางกายอืก็ทุกอย่างเรียบร้อยดีครับอ่ากําลังกายอย่เงี่ยมันไม่แน่นอนไม่เที่ยง เยอะดีมากสามพันดีสี่พันข้อะไรมันมันหมดสภาพเปลี่ยนอะไรมาแล้วนะ <laughs> ่ใช้ไปได้สั ก, กระยะหนึ่งดี๋ยก็ไม่ต้องมาเปลี่ยนอะไรใหม่ก็มีซ่อมบางส่วนเปลี่ยนบางส่วนอืมนี่ยังดียัง ม, มีมีเปลี่ยนได้อย่างถ้าเป็นยุคก่อนสมัยก่อนใกอนใการจะไปนานนะ อนะตอนนี้มีเปลี่ยนของแค่และของเทียมด้วยเนะลยฮ่าฮ่ลมแล้วของไอเสียตัดสั้นเลยเอ อ, เ อ, อหมอบอกว่าของแค่นี่จะอยู่ยาวนาะจะอยู่ได้แค่สิบปีแต่ของเทียมนี่จะอยู่ยาวากกนานกว่านั้นอีกเยอะเลยนะ <c oughs> ก็ก็ใส่ใส่เอาแค่อยู่แค่ไม่ต้องยาวนานมากนะฮะ อยู่เป็นวันเป็นวันไปค่ะอยู่แบบมีคุณภาพก็แล้วกันนะอือย่าต้องเป็นภาระให้คนเื่นทาต้องมาเนี้ยดูเราแบกดูแบกเราให้เราอยู่แบบสามารถทําอะไรของเราเองได้อโอเคอจึก จ, จิตฝึกใจให้สบายด้วยนะกับกับเพราะฝึกจิดฝึกใจกันด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะกับกับตัวเราอืก็ทําทให้เรามีจิตที่มีขึ้นใช่ก็ยังรู้สึกว่าได้มีบุญที่ได้มาปฏิบัติธรรมและในภพภพอาจารมาเป็นเวลา ย, ยาวนานมันซึมเข้าไปในในจิตเนีนะคะได้ทั้งสองคนเลยก็รู้สึกว่าคนป่วยก็จิตสบายคนดูแลก็จิตสบายอะไรมา ก, ก็ได้ อยู่กันอย่างให้ก็เรียกว่าสบายสบายๆดีตามมีตามเกิดไม่เป็นข้าไ่เป็นถูกค่ะอาจารย์ค่ะถ้าทันแพ็กเล่นนะคะอาจารย์าุณแม่น้องหิงมีอะไรไหมอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าคะได้ยินจ้าสาธุค่ะค่ะก็ ก็มาฟังค่ะพระอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ถึงร่างกายหนูมีปัญหาก็ต้องปฏิบัติแบบหยุดไม่ได้ะคะ่ะเหมือนต้องช้าร์จใจะคะ่ะพระอาจารย์อร่างกายมันเป็นตัวกระตุ้นให้เราต้องปฏิบัติกันร่างกายมันสุขสบายแล้วก็จะขี้เกียจพอร่างกายทุกเราก็ต้องต้องปฏิบัติเพื่อทําให้ใจเราไม่ทุกข์กับความทุกขของร่างกาย มันอขอบใจความความเจ็บไข้ได้ป่วยว่ามันเป็ น, เ ป, นเป็นตัวกระตุ้นให้เราปฏิบัติให้เราทำความเพียรกันใเจ้าค่ะพระอาจารย์เหมือนแบบความทุกข์แต่เป็นความทุกข์ที่ได้ประสบการณ์มากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็พอดีหนูไปหาหมอค่ะพระอาจารย์เกี่ยวกับผลเนื้องอกในสมองใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็แผนว่าถ้าเนื้องอกโตอีกก็จะเป็นผ่าตัดรอบที่ห้าค่ะเปิดกะโหลกค่ะพระอาจารย์ แล้วค่ะตัดร่างกายเนี่ยคือรอบที่สิบเอ็ดค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยมองว่าการผ่าตัดสําหรับหนูอะค่ะก็เหมือนแบบลุยค่ะพระอาจารย์เหมือนสงครามอะค่ะพระอาจารย์ก็ไม่ได้กลัวความตายนะคะแต่ว่าใช้ร่างกายที่เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะพระอาจารย์ให้เป็นแห้งให้จดปัญญาทุกบทมีปัญญามาเกิดเจ้าค่ะพระอาจารย์โอ๊บสนุกค่ะพระอาจารย์ ตรอไปยังได้อยากกำเกิดเี่แล้วนั่งทุกมีร่างกายแล้วก็นั่งทุกถ้าไม่อยากทุก็อยางมีร่างกายนี่เปล่าใช่ค่ะพระอาจารย์หนูดีใจค่ะพระอาจารย์ที่ได้มาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมจากพระอาจารย์ค่ะมันก็เลยพอมาเจอสถานการณ์เกี่ยวกับความทุกข์ทางด้านร่างกายค่ะพระอาจารย์มันก็เลยได้ออกแบบเป็นสิ่งที่จากที่เป็นความอยากมาตลอดค่ะพระอาจารย์ พอไม่อยากปุ๊บมันก็เลยทิ้งร่างกายเลยค่ะพระอาจารย์แล้วมันทําให้เจอแบบโอ้โหของของดีเลยค่ะพระอาจารย์ในการปฏิบัติธรรมนี่ค่ะรักษาใจค่ะพระอาจารย์มีดงงวงตาเห็นธรรมนั่นเอเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูก็สู้แบบเก่าไปค่ะพระอาจารย์โอเคสาธุค่ะสาธุการสาธุค่ะสังคุณเอกเชียงราย เปยังไงทางปัญญาเดินม้างไหมธรรมศาสตร์อาจารย์ครับผมก็เดินปัญญาบ้างครับอาจารย์ครับในช่วงที่หลังออกจากสมาธ์ครับอาจารย์เ่อกีน่ะสายลากนะสายรากนะให้จังลุกขึ้นหน้าตาถ้าผมก็พิจารณาถ้าถ้าไม่พิจารณามันจะคิดไปเรื่องอื่นนะครับอาจารย์อืมถ้าถ้ามันคิดไปก็พูดโททั้งวันนะครับอาจารย์อืมเดินยืนนั่งนอนก็พูดโทพูดโทไปครับอาจารย์ครับ เราฝึกสติทั้งวันครับอาจารย์ครับก็ปฏิบัติอยู่ครับบางทีบางวิคไม่ได้เข้าวก็ฟังอยู่ข้างนอกกับอาจารย์ไม่ได้มีคําถามอะไรครับข้าพคงก็สงบอยู่ครับช่วงนี้ครับพระอาจารย์อกสงบแล้วออกจากข้างทางออกก็เดินทางปัญญาบ้างก็ได้ครับข้าพครับข้าพก็ถ้าเราชานาญเราสามารถเข้าออกทางสมาธิได้แล้วก็ เวลาเอกมาก็อาจคิดทางมัญญาบ้างก็ดีถ้าผมถ้าผมทำยีนาตั้งกายครับอาจารย์ทำต่อยีนาการชัตต้องยีนาท่าสี่อยู่กับอาจารย์ครับตั้งยีนาท่าสี่ก็ตอนเช้านี้ก็ยีนาอยู่ครับก็แยกเป็นเป็นกองกองเหมือนกับว่าวันนั้นอ่านหนังสือของหลวงตาฮะ ที่ว่าแยกเหมือนเราอยู่ที่สี่แยกแล้วจิตเราอยู่ตรงกลางแล้วก็ด้านหน้าเป็นดินด้า น, นหลังเป็นน้นําด้านขวามือเป็นลมด้านซ้ายเป็นไฟนี่ครับแยกแยกตนี้ครับอาจารย์ครัก็ลองแยกตอนเช้านี่ก็ลองแยกดูก็ก็ก็พ อ, อได้อยู่ราาครับอาจารย์ทำอืมครับดีโอเคทำ<อ> ด, ด้วยความรู้ขออาจารย์ครับผมมันจะได้เห็นว่ามันไม่มีตัวตนมันมีแค่ท่าท่าหนึ่งท่าหนึ่งเพราะว่ามันมี มันมีช่วงเมื่อสองสองสัปดาห์ก่อนนะพระอาจารย์มันมีฟ้าฝนเห็นลมพายุครับพระอาจารย์แล้วผมเองกับ แ, แฟนผมมานั่งอยู่ในร้านซึ่งโครงสร้างเป็นโครงสร้างเหล็กครับพระอาจารย์เสร็จแล้วแฟนผมก็จับโทรศรัพท์มาดูผมก็บอกมือว่าเฮ้ยอย่าดูโทรศรัพท์ฟ้ากําลังแลบพอแฟนผมวาโทรศรัพท์แป๊บหนึ่งก็โอ้ไปในร้านช็อคแล้วพรอาจารย์ mm hmm. แต่กลัวต่อหน้าต่อตาเลยผมเลยคิดเลยอ่าโอ้ถ้าเกิด ถ้าเกิดตายนี่ก็คือจบแล้วเนี่ยจบแน่นอนอย่างเงี้ยมันเห็นแบบต่อหน้าต่อตาว่าความตายมันมันเร็วมากมันเร็วมากผมเลยโอ้ไม่ไหวแล้วต้องเ ร, ร่งปฏิบัติแล้วผมพม่าไม่ได้ข้าผมพม่าไม่ได้ต้องเร่งปฏิบัติแล้วผมโอ้ไม่ไหวแนละ้วนี่แปลว่าโอ้มันมันแบบมาจุฬามันไม่เคยไว้หน้าไม่เคยให้โอกาสเลยนี่ไอนะ้น้ำอืมต่อรองไม่ได้เลยนะ ครับหล่อไม่ได้เลยผมเร่งเร่งมากเลยครับอาจารย์ครับครับผมก็เหมือนกับที่ผมเรียนพระอาจารย์ท่อนี้มันเบาครับอยู่กับอยู่กับไม่มีลมครับพระอาจารย์อยู่ได้แบบอยู่ได้แบบไปเร็วกลับตายให้ได้ครับผมครับผมก็พยายามจะเอาให้ได้นะครับพระอาจารย์ครับอากาศของคุณพระอาจารย์ครับครับผมนัดครับ ไปที่คง<ม>อานนท์ลงเชิญคำน้ำมันสการค่ะอาจารย์ไม่ได้เข้าสัปดาห์เลยค่ะไปดูดูก่อสร้างถวายสาราที่วัดหลวงพ่อสามดงเพื่อถวายไปเมื่อวานฉลองเมื่อวานค่ะเรียบร้อยอ่าดีทางการภาวนามันจะค่อยมนันมันจะแยกงเวลากันน ะ, ะใช่มันจะแย่งเวลากันค่ะพี่แต่ว่า เวลาเราคุมมันก็การมีสติมันทําให้การแก้ปัญหามันดีากาจะคือว่าเวลาเราทํางานพอดมันก็จะมีปัญหาอยู่บ้างก็ก็พอมีสติมันก็จะไม่ไม่เกิดอารมณ์ที่เป็นทุกข์มากคือเรารู้ว่าว่าเอาละทาดีที่สุดไม่ไม่เอามาเป็นคือไม่ไม่เอาความอยากมากอาจารย์แบบไม่ได้แบบพอเราอยากมากๆมันจะเกิดทุกข์คือเรามองว่าเอาละเราทําให้ดีที่สุดแล้วมันต้องเอาคือเบรขามาวางว่าถ้าถึงจุดนั้นแล้วมันไม่ได้อะคือเราเราต้องไม่เอามันมาเป็นทุกข์ละ เพราะมัจะมีบางจุดที่ตอนแรกมันก็ท้าท า, ายมากเหมือนกันในเรื่องเวลาฟ้าฝนซึง่งเราคุมไม่ได้อย่างเงี้ยพูด ก, กับมันก็แย่พระอาจารย์เราคุมไม่ได้นะคะธรรมชาติเราต้องเข้าใจว่าเอถ้าจะฝนตกก็ต้องยอมรับตรงนั้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปคือมันก็มันก็ได้ข้อทรรขึ้นมาในระหว่างที่เราดูงานไปแต่ภาวนามันก็จะลดลงเพราะมันมันก็จะเหนื่อยรับเพียม mm hmm. แต่พอเสร็จก็รู้แล้วว่าเดี๋ยวได้เวลากลับไปชาร์จพลังพลังชาร์จพลังกันก็พลังยาวยาวไปหงงางานใหม่มาทําต่อใชได้ใ่คก็ต้องมาทําพัฒนาพัฒนาทางด้านจิตใจแล้วล่ะทุกอ่างก็ต้องภาวนาภาวนาเป็นเรื่องสํนาคัญที่สุดนะหลวงตาหลวงตามาฮะบูท่านเดินพลาอย่างเงี้ยอย่าไปก่อสร้างอ่าใช่อ่าถ้ามันจําเป็นอย่าไปทำใช่ค่ะรือ่อนี้จำเป็นก็พอ อันนี้พอดีว่าก็เห็นว่ามีความขัดสนเรื่องของเสนาสนะก็เวลาไปทีไรก็ต้องโยมนั่งเต็นท์ฝนตกคะนั่งเขาก็เอาแต่ว่ามือสหน่อยเราก็เห็นว่าเน่าจะมีประโยชน์บ้างอยู่ยนะ ก, ก็เลยทำตามแล้วก็เลยบอกว่าโอ้ไม่ได้เข้าพระจารย์เลยเพราะสัญญาณไม่มีเลยในตรงนั้นเป็นที่นาเป็นอะไรอย่างนี้ก็เลยเสร็จแล้วมาเข้ทีเดียวอ่าก็เลยมารายงาน กเนี่ยครับก็แย่งพระอาจารย์ว่าครับแบบภาวนาก็จะหยอดลงจริงๆเพราะว่าเวลามันถูกแย่งไปกลางคืนก็จะเหนื่อยมากพยายามแต่พยายามยายามาเอาครึ่งชั่วโมงได้ก็ยังพยายามดูลมหายใจอะไรอนยะ่างเงี้ยพอมีเวลาว่างก็จะนั่งดูลมหายใจระหว่างวันอย่างเงี้ยพระอาจารย์เพราะวันก็ทําให้อย่างน้อยเราได้เจริญสติไม่ไมันไปในระหว่างวันก็ยังดีคือภาวนาทั้งวันไม่ได้นะใช่ค่ะ <c oughs> ประมาโมงด้ได้แค่ครึงยี่โมนี้ก็ท่านเป็นแทบตายแล้วอนาะดูความต่างกันดูบ้านดูความต่างกันใช่ค่ะก็ได้ดูความต่างดูความต่างกันอย่างที่จารย์ว่าค่ะแต่ก็พยายามรักษาวาพอมีเวลาก็จะถ้าได้ระแว็บก็จะพยายามกลับมาดูลมหายใจให้มีสติเพราะมันสําคัญจริงๆว่าอาจารย์เพราะมันมันเป็นกําลังผงของทุกอย่างอ่ะให้เราไม่ ไม่ไม่ไม่ไม่ให้มีสมุทัยนั่นมันจะมีความอยากไอ้ น, นี่ไม่ได้หลังใจนั่นไม่ได้หลังใจมันจะทุกขึ้นมาทันทีแต่เ น, นี่ยรู้เลยว่ามันไม่มีทุกแบบนั้นนะพระอาจารย์บางทีช่างเองหรืออะไรเขาไม่ได้นะแต่มันไ ม, ไม่ได้มีทุกแบบว่าทำไมเขาถึงไม่อย่างนั้นอย่างนี้เราเรียกว่าเราเราเข้าใจแบบมองผูกวางรู้เสร็จก็วางได้เขาไม่ได้แบบไปทุกอย่างนั้นเนาะแต่บางทีต้องเล่นละครอยู่บ้างพระอาจารย์บางทีเราต้องทำโกรธเราก็บอกว่าอันนี้ยเรากำลังเล่นละครนั้นเนี่ยเพื่อให้เขาทํางานให้ได้ตามเวลา ก, ก็ก็จะมีแล้วสิ่งหนึ่งพอดีเมื่อวันนีนน้่เห็นพูดเรื่องแต่งหน้ากันอันนี้โยมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ก้าวข้ามผ่านมาได้แบบเออก็ก็แบบกุญแจเล็กน้อยเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาเรียนรู้จากพระอาจารย์เนี่ยก็ไม่ได้แต่งหน้าเลยปกตินถ้ามีงานนะไรอย่างเงี่ยจะต้องทำผบเลยว่าอาจารย์แต่งหน้าด้วยนี่คือแบบไม่ได้แต่งอะไรเลยนะจ๊ะรวบผมหน้าก็ธรรมาดาอย่างเงี้ย แล้วก็งานก็ทถไหวศาล า, าก็ก็ธรรมดาอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกไม่มีความมั่นใจอะไรเลยในตัวอาจารย์บงฉนันะมันมีความพัฒนาใช่อไม่ไม่ไม่มีความรู้สึกดว่ า, าอะไรมันเป็นอะไรเป็นศาลาอะไรไม่เป็นศาลาใช่ค่ะอาจารย์ไม่ไม่มีเลยบอกว่า แล้วก็หลายหลาคนก็บอกว่าไม่ต้องไปแต่งแล้วอย่างเงี้ยแหละดีที่สุดเลยดูธรรมชาต mm. ิดูดูโอเคเลยอย่างเงี้ย mm. จริงๆแต่แรกอย่างเอ้จะต้องแต่งไหมเอาใส่กระเป๋าไ้ด้วยนะพระเจ้าเอาใส่กระเป๋าเดินทางไป mm. แล้วก็ไม่ได้ใช้มันเลย <laughs> ไม่ได้ไม่ได้คิดกระทั่งว่าจะต้องแต่งเลยน ะ, ะ mm hmm. ก็เลยรู้ว่าเออจริงๆอย่างที่พระอาจารย์ว่าจริงๆว่าอะไรเป็นสาระจริงๆนะจ๊ะมันไม่ได้อยู่สิ่งที่ที่ที่การแต่งหน้าแต่งตาจริงจมัน mm hmm. อยู่ที่การกระทาข mm hmm. องเราใช่ค่ะ อันนี้อันนี้อทำดีแล้วใจเราก็จะสวยงามขึ้นมานี้ไม่ได้แต่ง ม, มาแล้วอาจะรย์ทุกๆวันทํางานปกติอยู่กรุงเทพเนะี่ยไม่ไม่ไม่ได้แต่งมาเลยจริงๆจนจนบางทีแบบที่เอาเครื่องสําอางไปวางไว้ไหนนะมันทีได้ต้องแต่ว่าต้องไปงานจริงจริงอะไรเนงะี้ยลืมเลยดีมากค่ะอาจารย์อันนี้อันที่ดีจริงๆก็ ก็เลยหายไปอยู่สองสมสัปดาห์เพราะว่าสัญญาไม่ได้มีทนี้ก็เลยเข้ามารายงานตัว ก, ก็จะจีบมันนักเรียนขาดเรียนครับว่าจช่เอาอย่างนีอย่างนั้นเลยที่นี่ไม่ได้บังคับให้ต้องเขา้าสะดวกก็เขา้าไม่สะดวกก็ลาได้ที่นี้เปิดโอกาสให้ลาได้เรามีความตั้งใจอ่ะอบอกตัวเองว่าเอออันนี้มันเป็นอะไรนะเหมือนก็เป็นมินายให้ตัวเองอย่างหนึ่งเ ห, ห, หมือนเราได้มาพัศพัะอาจารย์อย่างแล้วก็เราจะต้อง ภาวนาเพื่อมีความก้าวหน้าเหมือนเท่องนี้ก็มีความก้าวหน้าเนี้ยก็เลยตั้งตั้งใจทมาแล้วมันได้ประโยชน์ก็ดีดถ้ามาแล้วรู้สึกมันจำเจไม่ได้ประโยชน์อะไรจะพักบ้าง ก, ก็ได้อาจารย์ก็ก็ทําจากพระเจ้าหลายๆอย่างก็บางครั้งคุยกับน้องๆในที่ทํางานเขาก็เหมือนฟังที่เราเล่าเขาก็มันไปช่วยชุดความคิดอะไรของเขาขึ้นมาให้ ให้ทุกน้อยลงเราก็รู้สึกเออดีก็เลยบอกให้บางทีเขาเข้ามาฟังเอ๊ะมาสนทนากับพระอาจารย์เองเ <c oughs> yeah. นี้ยแม่ถ้าจะได้ความแนะนําที่ดีก็มีน้องคนหนึ่งที่สองสองสัปดาห์สัปดาห์ที่แล้วที่เข้ามาสนทนากับพระอาจารย์เรื่องที่ก็มีปัญหากับหัวหน้างานแล้วแต่ก่อนก็จะสวดแผ่เมตตาตัวคืนๆ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าไม่มีเมตตาตอนหลังบอกว่าพระอาจารย์อ่ะบอกให้มีเมตตานี่คือต้องกระทํานะเราต้องเมตตาด้วยการกระทำแล้วเขาไปทําเนี่ยปรากฏว่า กลายเป็นที่ไว้วางใจของหัวหน้า ง, งานคือเห็นผลนะคะพระอาจารย์ก็เลยไดบอกอเออเข้าใจผิดยังไงคือาการแายไม่ตายกับการสวดใช่สาันั้นนี้ก็เห็นชัดดีค่ะพระอาจารย์ก็เลยวันนี้ก็มารายงานตัวมาวันนี้ว่าอาจารย์เดี๋ยวคงได้ขึ้นไปที่เขาเพราะว่าน่าจะต้องหลบไปภาวนาละโอเคได้สาธุพระอาจารย์แพทย์ขันแข็งแรงค่ะ ไปที่คุณหมอภาชนะไปกับเขาด้วยหรือเปล่าจเจอกันหรือเปล่าอ๋อไปไปเพิ่งกลับมาครับรอาจารย์ก็ไปก็จริงๆแลอนแรกที่ไปก็ทําใจแล้วเออต้องเห็นอนไจังนะพระอาจารย์เพราะว่าต้องขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ให้ไปไหลายๆวัน <c oughs> เพราะจะรู้สึกว่าเวลาไปแต่ะที่อ่ะมันก็ที่เดียวกันมันก็จะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําใจไว้ก็เอาเอาเต็นท์ไปแล้วกดไปครับอาจารย์ก็เรได้เอาในในกดะกดพังเ ตอนหลังก็นอนในเต็นต์ก็คนเยอะค่ะพระอาจารย์นอนตรงพื้นเลยอ่ะก็ดูใจก็คือโอเคเลยคนเยอะแล้วก็ไม่กระเพื่อมก็คือเห็นแล้วก็โอเคแล้วก็ข้อสำคัญโชคดีมากเลยนะคะพระอาจารย์เออพระอาจารย์อินทหวไหมาเทศสมาแล้วก็มีเพิ่อนพระอาจารย์สุดทันแล้วก็เจอหลวงปู่บุญมีค่ะพระอาจารย์เจอก็ได้ฟังเทสถึงประมาณเที่ยงคืนเลยพระอาจารย์ดีมากๆเลยอืมแล้วก็ได้ใส่บาต ได้ใส่บาตรแต่ว่าใส่บาตรนั้นตัวเองก็ใส่ตรงตรงที่แบบว่าทางเดินนะคะีค่ะปรากฏว่าพระสามรอยรูปใช่ไหมพระอาจารย์แล้วก็เตรียมของไปก็ใส่เอ่อตอนแรกหลวงพ้อสมพ่อไม่ได้เดินคนแรกไลคะก็ใส่จนหมดเลยปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยมีพระบอกว่าเีแย่หลวงพ่อจะมาเดินคนสุดท้ายก็เลยแบบเฮ้ยไม่มีของแล้วเพราะว่า ใส่ไปหมดต่างร้อยลูกแต่คนนี้นึก็ได้ว่าอ๋อพอดีเราซื้อของมาให้พระอระในบ้านคือซื้อของให้คุณพ่อไงคะขากับอ่ะก็เลยไปคุยแล้วก็เอาของคุณพ่อมาให้หลวงพ่อก็เก็เลได้ใส่บาตรด้วยพระอาจารย์ก็เลยเห็นเลยว่าจริงๆท่านก็สอนอะไรหลายอย่างว่าการเตรียมพร้อมกันอะไรก็ดีมากค่ะพระอาจารย์ก็ก็ปฏิบัติต่อกลับมาก็สงบหมือนกันพระอาจารย์เพว่ามันนอนในนอนในเต็นท์นอน เป็นครั้งแรกนะคะอาจารย์ที่นอนในกรดในเต็นท์ในห้องครัวแต่ก็รู้สึกดีพระอาจารย์รู้สึกมีความสุขที่แบบเออได้ช่วยเขาค่ะใหกินนอนแบบง่ายๆที่ไหนก็ได้นะค ะ, คะน้องกับพื้นเลยพระอาจารย์ไม่มีหมอนไม่มีอะไรเลยค่ะนอนแบบสบายแล้วก็แล้วก็ไม่ค่อยได้นอนด้วยเพราะว่าเขาทํางานกันเยอะมากก็ไปช่วยเขาทาค่ะอาจารย์ก็ทําทําครัวทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลับมาเดี๋ยวในก็ในสัญชิกต่อค่ะอาจารย์ต้องขอบพระคุณพะอาจารย์นะคะรู้สึกว่าใจมันนิ่งขึ้นเรื่อยๆ เ, เ, เรื่อยเลยค่ะ โอเคสาธุเดอะคุนันกลับไปถึงบ้านแล้วยังไม่ได้เปิดอยไปไค่ะของใส่เน็ตลูกช้าเจาค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วจ้ค่ะ ก, ก, การนมัสการค่ะพอาจารย์ลูกไม่มีมคําถามค่ะแต่ว่าการได้เข้าห้องนี้ลูกได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดเลยเจ้าค่ะมีพร อ, อาจารย์คอยสั่งสอนลูก ปฏิบัติมาได้รับประโยชน์สูงมากเลยเจ้าค่ะต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากนะคะแล้วค่ะฝืนจริงๆค่ะฝืนยินดีนะจ๊ะโอไม่เลยค่ะถ้าแบบทำได้นี่รูกนี้อยากตอบแทนพระคุณมากๆเลยเจ้าค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีพระอาจารย์ก็คือคงเป็นอีกคนนึงไปเลยเจ้าค่ะมีวันนี้ได้ก็บอกแฟนเหมือนกันค่ะว่ามีวันนี้ได้ก็พอพระอาจารย์เลยเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากมากนะคะ สาธุไปที่เอวเอคุณนิานสา ก, การนมัสการค่ะพระอาจารย์ก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์สามวันค่ะต่อสี่ชั่วโมงค่ะพระอาจารย์ก็ดีค่ะพระอาจารย์รู้สึกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาละแบบจิตใจมันยอมรับว่าปล่อยวางร่างกายมากขึ้นค่ะพระอาจารย์ ่ก็เลยอ ย, อยที่สติที่เราฝึกนี่นะ่ะยิ่งฝึกมากเท่าไหร่สติดีเท่าไหร่นั้นก็จะยอมรับได้มากขึ้นค่ะพระอาจารย์ก็เลยขาดไม่ได้ค่ะต้องเข้ามามไม่เพื่อให้พระอาจารย์คอยชี้นำค่ะพระอาจารย์ไม่งั้นเหมือนไม่มีกํำลังค่ะพระอาจารย์อถ้าเราไม่ฝึกสติถึงแม้เรารู้ว่าร่าใจายไม่เที่ยงเราก็ไม่ไม่ยอม เ, ยเราก็ไม่ยอมรับ แถ้าเรามีสติแนละ้วสติมันก็จะทําให้เรายอมรับได้ง่ายขึ้นมากขึ้นพระอาจารย์ก็ปฏิบัติต่อค่ะพระอาจารย์ไม่ไม่ทอ้อถอยเค่ะพระอาจารย์โ okay. อเคค่ะาสาธุค่ะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ธาตุขันแข็งแรงนะคะออลูกมีคําถามนิดนึงค่ะพระอาจารย์อันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งค่ะตอนที่เวลาพระอาจารย์วินทบาทและะ้วค่ะแล้วพระอาจารย์ตืิด เด็กๆที่มาใส่บาตรลูกเห็นน้องๆเขาท่องอะไรอ่ะคระอาจารย์เด็กบางคนแล้วก็ให้เขาบอกวันที่วันเดือนปีวันนี้วันวันนี้วันอะไรวันวันนี้วันพุธที่21สิบเอ็ดสิงหาคมองห้าเจ็ดแงสองขาอะไรว่าไป เ, เดิ เ, เดิอนอะไรอ็บางคนเขาางคนเขาเดิ เดีย๋ยวนี้เด็กไม่รู้เรื่องเรื่องเรื่องการ น, นับวันของแบบของของภาษาไทยเรารู้แต่แบบของภาษาคนวันขึ้นแลมไม่รู้ปีอะไรไม่รู้ค่ะอ๋อค่ะเห็นน้องๆก็ท้่องเลยสงสัยนิดนึงค่ะครอาจารย์แล้วก็บางทีก็มีสอดคำถามทั่วไปชนบุรีมีกี่อมเภออระเทไทยมีกี่ภาคอะไรเงี้ ดีค่ะอ๋อ oh, ค่ะแต่แบบแ ล, ลูกดูแบบมานานก็เออเด็กน้องๆเขาโตขึ้นเยอะยค่ะ mm hmm. จำได้หมดค่ะว่าตรงนี้ตรงตรงซอยนี้ต้องมีน้องคนนี้มาใส่ uh huh. ดีค่ะพอาจารย์ก็ไม่มีอะไรละค่ะค่ะ <Okay. S 2> ขอให้พระอ uh huh. าจารย์ทาตุแข็งแรงค่ะยินด yeah. ีเชิญเสด็จ สวัสดีคะ่ะท่านอาจารย์ลู่มีคำถามค่ะก็เข้ามากราบท่านอาจารย์เหมือนเดิมค่ะเดวิดส่งความคิดถึงมาให้ท่านอาจารย์ค่ะแล้วก็บอนทงเต้ค่ะขอบคุณมากตอนนี้อากาศน้อย น, น้อเย็นสบายสบา ย, ยสบา ย, บายตอนนี้สบายสบายค่ะท่านอาจารย์แต่ที่ก็อากาศมันเปลี่ยนมันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแบบกระทันหันนาะคะ่ะท่านอาจารย์ อย่าพายุก็เข้าบ้างได้ฝนก็ตกบ้างใช่ค่ะเมฆขาวก่อนเป็นครั้งแรกค่ะที่ลูกเห็นเอ่อฟ้าค่ะเขาร้องแล้วแบบฟ้าเขาเขาแรงอะค่ะท่านอาจารย์ตั้งแต่ตีสี่ถึงสี่โมงเช้าค่ะยาวมากเลยลูกเป็นครั้งแรกที่เห็นว่าอุ้ยทําไมฟ้าร้องแล้วแบบฟ้าแรงแล้วนานมาก่ะถึงขนาดน<ม>ี้ก็ที่นี่อากาศเปลี่ยนแปลงเยอะบ่อยค่ะท่านอาจารย์ก็ เป็นธรรมชาติออของเขาเอา<อ>จารย์ เ, เตรียมตัวไว้นะค่ะท่านอาจารย์ค่ะโอเคม่ีอะไรค่ะลูกก็ปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์อ่าถึงจารย์สายทิี่ไหนขอนแก่นใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไปอยู่ทางมาหาสาครคามแล้วอยู่ขอนแก่นค่ะพระอาจารย์กลับมาจากสารคามค่ะ ไปทำงานเสร็จตอนเย็นก็กลับมาค่ะพระอาจารย์เช้าก็ไปทำงานใหม่ระยะระยะกีะ่โลประมาณหกสิบกิโลค่ะพระอาจารย์ถ้าจากที่บ้านถึงมาหาลัยก็ห้าสิบนาทีถึงค่ะค่ะวันวันพุธหนูจะมาดูแลคุณพ่อค่ะเป็นวันที่เข้าสูมพอดีค่ะพระอาจารย์ก็จะจุดผนแก่นวันพุธค่ะตอนนั้นก็จะอยู่ที่มหาสารคามเป็นส่วนใหญ่ หนูจะอยู่ก็คือกับวันพุธแล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะพอาจารย์ก็คือถ้าถ้าไม่ไม่มีสอนถ้ากลับได้ก็จะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณพ่อค่ะแต่ถ้ามีสอนก็ก็ค่อยไปอย่างเงี้ยค่ะพอาจารย์ค่ะพ่อก็เป็นพระอานารยของเราเนะี่ยทำงานในบ้านในบ้านก่อน ค่ะวันนี้ก็พาคุณพ่อไปทำฟันเพิ่งกลับมาสองทุ่มบอกคุณพ่อว่าไปล้วนะจะไปเข้าซูมแล้วคุณพ่อก็เริ่มปฏิบัติค่ะพระอาจารย์จากเดิมแอนตี้แอนตี้พระมากเลยค่ะตอนนี้เปิดธรรมะฟังเองคนเดียวแล้วก็เอามาคุยกับเราค่ะคุณพ่อทำงานอะไรมา ก, ก่อนคุณพ่อเป็นเจ้าหน้าที่สาสุขแล้วก็ตอนสุดท้ายเป็นผู้ปกครองนิคมเหมือนเป็นพออนิคมเอ่อพวกโลก โรคผิวหนังค่ะะ้าจัน mm hmm. แล้วก็เออรี่ออกมาค่ะ mm hmm. ตอนนี้ก็เป็นตอนนี้จะแปดสิบ mm ้วคาก็เลยมาดูแลสลับกันดูแลที่บ้านสวนสร้างสร้างบ้านหลังเล็กไวห้หนูจะไปอยู่คุณพ่อยึดค่ะพระอาจารย์ mm hmm. <laughs> ตอนแรกที่หนูสร้างคุณพ่อ mm hmm. ไปอยู่เองแล้วก็ไปฟังทำอะไรเงี้ยค่ะก็เลยโอเคดีค่ะก็ดียากกันอยู่ท่มนอยู่ในสวนแล้วก็อยู่ในบ้านค่ะแต่ว่าตอนตอนปีหน้าหนูก็จะไปสร้างบ้านสวนอยู่ติดกันแต่คุณพ่อว่าจะเข้ามาอยู่บ้านเพราะว่าแก่แล้วอะไรเงี้ยค่ะให้พี่ๆดูแลให้หนูอยกกู่คนเดียวเหมือนเดิมสลับทางค่ะอ่าอาทิตย์ที่แล้วพผอาจารย์ให้อ่าแนะนําหนูให้ ไม่ต้องท่องพุทธโธให้ดูลมหายใจอย่างเดียวสอง<ม>วันแรกก็งงๆอยู่ค่ะพระอาจารย์มันเหมือนอยากจะพุทธโธแต่พอวันที่สามที่สี่ก็ดูลมหายใจอย่างเดียวแล้วก็ฝันด้วยค่ะพระอาจารย์ฝันวันวันแรกฝันว่าไปฝันว่าไปวัดแล้วก็ได้คุยธรรมะกับครูบาอาจารย์ค่ะแล้วก็ ถวายอาหารถวายอาหารครบแล้วเหลือจะเหลือกลับบ้านหนูหนูแอบดีใจด้วยค่ะพระอาจารย์อุ้ยไก่เหลือจะได้อากลับไปกินแล้วก็เงยหน้ามาเห็นเนนน้อยเนนน้อยทำตาปิดปิดหนูก็เลยถวายหมดหมดเลยในฝันค่ะพระอาจารย์ก็เลยตื่นข а, <kadın? S 1> 拜拜ึ้นมาก็โอเคนะให้ทานหมดค่ะอีกวันหนึ่งก็ก็ทำสมาธิก็ฝันไปวัดทำบุญเหมือนเดิมเลยค่ะพระอาจารย์ประมาณนี้ค่ะ ที่เหลือก็ยังปฏิบัติอยู่ทําสมาธิอยู่ค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วก็ตอนนี้อ่าใชา้เรื่องของทุกอย่างล้วนเกิดจากเหตุและปัจจัยทําให้เอามาใช้กับทุกอย่างได้หมดเลยค่ะพระอาจารย์เข้าใจคนแล้วก็ปล่อยวางได้ได้ได้ง่ายค่ะอืมเขาก็เป็นของเขาวันนี้เป็นแบบนี้พรุ่งนี้เหตุปัจจัยเป็นแบบนั้นเขาก็ก็เป็นของเขาไปอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยมองเป็นเรื่อง ปกติค่ะไม่ไม่คิดอะไรมากค่ะมองเราด้วยค่ะเราก็เปลี่ยนตัวอย่างเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยของแต่ละวันตละเวลาค่ะเราด้วยค่ะเราก็เป็นแค่อะไรมารวมกันเดี๋ยวเราก็ก็แยกไปตามวันตามวันค่ะพระจ้าก็เลยทุกน้อยลงค่ะอยู่แบบเข้าใจเข้าใจความเจงมากขึ้นค่ะ ประมาณนี้ค่ะพะอาจารย์ก็พยายามปฏิบัติต่อไปค่ะอ่าสาธุสาธุค่ะคุณแปงใช่ไหมคุณแปมเ้ใจไบนองปกนะคุณชกวยเป็นยังไงไม่อยู่ครบแล้วลยอยู่ไม่อยู่วันครบแล้วลไม่ได้อยู่อืามสสเอ่อ สามวันสองคืนเจ้าค่ะยังทำได้ไม่เต็มที่เจ้าค่ะก็พยายามทำไปเรื่อยๆ น, นเดี๋ยวก็ได้มากขึ้นไปเรื่อยๆเจ้าค่ะมีอะไรัหม ล, ลูกยังยังคิดอยู่ว่าเวลาร่างกายเจ็บป่วยต้องเร่งเร่งเพียนเพียนปฏิบัติหรือว่า ค่อยเป็นค่อยไปเจ้าค่ะอ๋อได้ไนะด้แหละดีที่สุดอย่าประมาณให้รีบทำเวลาเรามันไม่แน่นอนว่าจะเหลือมากน้อยเท่าไหร่ถ้าเล่งได้ก็เร่งถ้าเล่งไม่ได้ก็ต้องทำไปตามกำลังของเราก็แล้วกันนะอย่าไปเสียดายกำลังให้กับการปฏิบัติโดยเลยใส่เข้าไปเต็มที่เลย โอเคฮะโอเคได้ยังไป <Okay. S 2> ที่คุนจุกโกเบคุคนจุกจากนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะมีอะไรไหมอาทิตย์ที่แล้วพระอาจารย์เมตตาให้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการทําไอการทํางานของขันห้าเจ้าค่ะอืมหนูเอาไปพิจารณาทางอาทิตย์แต่เจ้าค่ะพระอาจารย์ Mm hmm. ก็พอเริ่มเข้าใจแล้วจ้ะค่ะ mm hmm. ทีนี้พอไปพิจารณาแล้วอะ่ะปัญญาในน้อยของหนูมันก็คิดขึ้นมาได้ว่าถ้าสมมติเราไม่อยากให้มันเกิดเวทนาเกิดสังขารขึ้นมาเนี่ยเราไปดับที่ตัวตัววิญญาณได้ไหมอะไรอย่างนี้นค่ะก็คือเวลาที่เราเห็นก็สักว่าเห็นรู้ก็สักว่ารู้หรือไม่ก็ไม่ไปรับรู้อะไรเลยยังทําอย่างนั้นได้ไหมเจ้าคะก็ ล, ลองทำดูสิ กานปฏิบัติก็ต้องรู้รู้เสียว่าทำได้รืไม่ได้อืมจะจาลองไปทงดูเจ้าค่ะอ่ะอเราคิดคิดแล้วว่าควยจะเป็นอย่างไรก็ลองไปทดลองดูว่าเป็นไปตามที่เราคิดหรือเปล่ า, านี่ก็ต้องคอยมาถามอยู่เรื่อยจะทำะไดทีก็ต้องมาถามก่อนอืมนี่ก<ช>็ไม่ใช่เป็นปัญญาถ้ามาถามมันก็เป็นสัญญาคาตอบไม่ใช่เป็นของเรา แต่ถ้าเราหาคำตอบเองมันก็จะเป็นปัญญาเราจะเข้าใจว่าวิธีนี้ถูกหรือไม่ถูกเจ้าค่ะพรูอาจารย์สอนอยังไงล่ะพระอาจารย์สอนว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นใช่ไหมอือเจ้าค่ะได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินใช่ไหอือเจ้าค่ะก็ให้เจ้าค่ะเนี่เดี๋ยวจะลองไปทําดูค่ะเดี๋ยวสิวันจะทําได้ป่าวข้น ไว้ขนมปอกก็ไม่ได้สักจะว่าเห็นน้ำลายไหลเลยใช่ไหมค่ะพอเห็นเห็นของชอบเนียอดไม่ได้แล้วอยากจะได้ขึ้นมาเดี๋ยวจะอาทิตย์อาทิตย์ต่อไปทางอาทิตย์นี้จะลองไปทำดูเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่ามันจะทำได้หรือเปล่ามันต้องอยู่ที่กำลังของสติของเรา ถ้ามีระดับอุเบกขามันก็จะทำได้ถ้าไม่มีอุเบกขาเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายอยู่นั่นนะใช่หมค่ะเรได้ยินเสียงด่าก็โกรธขึ้นมาน <Okay. S 1> ะโอเคแล้วค่ะพ่ะอาจารย์เจ้าคะอ ย, อย่างเอ่อเหมือนการทำสมาธินี่จะทำให้เกิดสติและปัญญาใช่ไหมเจ้าคะเกิดอุเบกขา เกิดอุบัตขค่ะสติเป็นตัวทําให้เกิดสมาธิไม่ใช่สมาธิทําให้เกิดสติเดี๋ยวค่ะต้องพยายามเจริญสติให้มากๆพูดโทรบ่อยๆไม่ใช่แต่เฉพาเวลานั่งพูดโทรมันไปทั้งวันเลยเอตอนเนี้อย่างที่เราคิดว่าจะไปทำศัตรูว่ารู้ศัตรูว่าได้ยินนーム มันอาจจะไม่ยังไม่มีกำลังที่จะทำได้เพราะเรายังไม่มีสติสมาธิพอยังไม่มีอุเบกขาพอถ้าทำไม่ได้เราต้องกลับมาทำสติก่อนแล้ค่ะทำสติเพื่อให้นั่งสมาธิให้จิตมีอุเบกขาพอมีอุเบกขาที่ออกมาก็สักตว่าได้ยินได้สักตว่าเห็นได้ <Okay. S 1> แล้วค่ะถ้ายังสักตว่าไม่ได้แสดงว่าสติยังมีกำลังน้อย บุ ar, Side, เบลขายยังไม่มีพอกําลังไม่พอก็เราฝึกสติฝึกบุเบลขายมากมากก่อนเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะอที่เมื่อกี้ถามเราต้องบอกไว้าให้ลองไปทําดูจะได้รู้เลยว่าม okay. ันทําได้หรือไม่ได้ถ้าทําไม่ได้แสดงว่าบุเบลขายังมีไม่มากพอ สติยังต้องสร้าง ส, สร้างโมเบคาด้วยการเจริญสติบ่อยๆหนูจะเอาไปปฏิบัติเจ้าค่ะพระอาจารย์อันนี้เข้าใจเรื่องราวของตัวเรามากขึ้นนะนครั้งที่ห้าของเราเนเข้าใจแล้วเจ้าค่ะอาทิตย์ที่แล้วที่พระอาจารย์อธิบายมาหนูเอาไปเพิ่อจรณาทั้งอาทิตย์เลยจ้าค่ะอืมวันนี้ก็รู้กับหมอพิเชยได้ยินด้วยว่าค่คม หนูหนูก็ได้ฟังเมื่อกี้ค่ะที่พระอาจารย์อธิบายให้คุณหมอพิชเชษ ฟ, ฟังก็ยังคิดเลยว่าเอ๊ะพอถึงจุดวิญญาณตรงตัววิญญาณนี่พระอาจารย์บอกให้พิจารณาให้เป็นไตรักอะไรอย่างเงี้ยเจ้ค่ะก็แบบเอ๊ะเรามันจะต้องพิจารณาด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเมื่อรับรู้แล้วก็ให้พิจารณาว่าเป็นไตรักไม่เที่ยงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นรักเป็นชอบมันก็ต้องพิจารณาถ้าเฉยๆก็ไม่ต้อง น่าสักแต่ว่าได้เห็นก็ไม่ต้องทําอะไรถ้าไปเห็นแล้วชอบเกิดความอยากขึ้นมาต้องเจริญให้ต้องเป็นทุกข์จะได้ไม่ได้อยากได้เจ้าค่ะเข้าใจแล้วจ้าค่ ะ, ะเดี๋ยวจะลองเอาไปทําดูเจ้าค่ะว่าจะทําได้หรือเปล่าอลองเดีย๋ยค่ ะ, ะขอพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะโอเคคุณอภิษฎขอให้ธาตขันแข็งแรงเจ้าค่ะคุณอภิษฎอาจา์สกล น, นะคร ให้ผมสั้นต่อมือเยนะครับกล่าวนาัสกันพระอาจารย์ครับไม่ไม่มีคําถามครับพระอาจารย์อืมองนั้นก็ไปที่คุณมริกาเชิญมริกาจากดาราเทวะกลาวนาัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์จากการที่ว่าเมื่อสองสอน ท, ที่ผ่านมานะพระอาจารย์ไม่เกี่ยวกับเรื่องหมดเพราะว่ามดมัน มันขึ้นต้นพริกนะคะพระอาจารย์แล้วก็มันก็มาทํำรังก็ก็เลยเฉยๆกับเขาเพราะว่าทั้งย ไ, ไงเขาก็ไม่ไปค่ะพระอาจารย์แล้วก็เท้าก็ก็เป็นแผลหมดเพราะมดมันกัดก็เลยก็ยวางเฉยในจุดนั้นแล้วก็จากการที่ว่าได้ฟังธรรมของพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์มันทําให้เราจิตใจมันสงบเยือกเย็นขึ้นก็เข้าใจคนที่มา ประสานท ก, กับเราหรือว่ามาเจรจากับเราก็ทําให้รู้สึกว่าสมุงแล้วก็ยื่นยิ่ขึ้นนะครับอาจารย์ในการปฏิบัติตแล้วก็ลูกก็ปฏิบัติอยู่แล้ก็ก็ยังถือถิ่นแปดแล้วก็ในเรื่องของการแ ต, าาแต่งหน้าทาปากมันก็หยุดไปตั้งนานแล้วนะครับอาจารย์ก็ก็กันย้อมผมก็ไม่แล้วนะครับอาจารย์ไม่ย้อมผมแล้วเนี่ยทำยังไปก็ตัดให้มันั้านไปเลย เจ้าข่าวพระอาจารย์สาธุนะคะลูกวันนี้ลูกไม่มีคาถามแล้วพระอาจารย์แล้วก็มาฟังธรรมจ้ะจ้าเนี่ยสาธุจ้ะคุณหมอสุทัาเจเนปทุมธานีไม่มีคาถามเจ้าค่าท่านพระอาจารย์ยังรักษาสาัตว์อยู่หรือเปล่าอะไรนะเจ้าคะ่ะยังรักษาสาัตว์หรือเปล่าโอยยังรักษาสาัตว์อยู่เจ้าค่ะ มีเยอะไหมเยอะมากๆเลยเจ้าค่ะแต่ว่าลูกก็จำกัดเวลาในการคื อ, อเลื่อนเวลาปิดให้เร็วขึ้นค่ะแต่เคสก็จะมาออกกันทั้งวันเลยเจ้าค่ะแม้ แ, แต่สัตว์เขาก็จะบข้าได้ป่วยได้เหมือนกันนะเจ้าค่ะกะ็โอปะนี้นายโปย้อนกลับมาที่ตัวเองเหมือนกันเจ้าค่ะเวลาผ่านตัด เพราะลูกมีเครผ่าตัดในเวลาที่เปิดคลินิกมีเกือบทุกวันเลยเจ้าค่ะเต็มตัวเต็มใจด้วยนะสหรับนั่งายของเราก็เหมือนกันเจ้าค่ะท่านอาจารย์ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรเจ้าค่ะคปฏิบัติทุกวันเจ้าค่ะสาธุออขอบคุณค่ ะ, ะคุณมาลยอุาตอากาลกับมาพบ ก็ปฏิบัติอยค่ะหลวงพ่ออ่ดีดีอะไรไหมก็คือหลังจากที่เข้า z o ม m ทุกอาทิตย์กับหลวงพ่อค่ะจิตหนูมันจะเหมือนมันจะค้นว่ามันจะมีอะไรหมายถึงว่ามันจะมีอะไรที่เราจะขยับก้าวหน้าขึ้นไปไหมจะมีอะไรมารายงานหลวงพ่อไหม คือคือหมายถึงว่าหนูหมายถึงว่าเออมันจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆไหมอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงทุกอาทิตย์เลยอะ <quá S 2> <Tamb. S 1> ค่ะหลวงพ่อแล้วยิ่งมาพิจารณากายผมเมื่อคืนวันจันทร์หอ้หหลวงพ่อมันมันจะบอกว่าสนุกเหมือนที่หลวงพ่อเคยบอกมันก็มันโอ้โหมันหลวงพ่อมันถามมันตอบมันแบบมันเหมือนมันสั่งสอนจิตน่ะหลวงพ่อแล้ว เหมือนบอกว่าพอพอหรือยังพอกับการมีธาตุขันแบบนี้ไหมมันเป็นทุกข์ไหมหลายภพหลายชาติางนี้เห็นหรือยังว่ามันทุกข์ขนาดไหนคือมันมันเห็นตั้งแต่ลอกหมดทั้งตัวอย่างเงี้ยค่ะหลวงพอ่อแล้วมันมันดิ่งเข้าไปในจิตนะคะหลวงพอ่อน้งตามันไหลแบบเหมือนมันเข็ดมันกลัวแต่ว่าจิตกับสมาธิมัน มันนิ่งมันแหลกมันวิ่งเข้าไปแบบลึกมากๆเลยค่ะหลวงพ่อมันแบบตั้งกันหนูปฏิบัติมามันวิ่งเข้าไปอีกแล้วค่ะหลวงพ่อมันมันดิ่งมากๆเลยค่ะหลวงพ่อแล้วก็คือมันมันสงบแต่มันมีสติมันมันเห็นมันเห็นภาพเห็นภาพเหมือนเขาเรียกว่าเห็นตาในก็เริ่มเห็นบ้างแล้วค่ะหลวงพ่อแล้วก็ เอาตานอกมาสอนจิตด้วยอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันยิ่งยิ่งวิ่งเข้าไปข้างในอ่ะค่ะหลวงพ่อเห็นแบบสงบมากๆเลยค่ะหลวงพ่อแล้วจนจนเที่ยงคืนน่าจะเที่ยงคืนครึ่งค่ะหลวงพ่อมันจะมันจะไม่หยุดนะค่ะหลวงพ่อมันมันยิ่งพิจารณามันยิ่งแบบข้างในจิตหนูอธิบายไม่ได้เลยอะค่ะหลวงพ่อมันมันสงบแต่ว่ามันมีสติมันมันดิ่งมากๆเลยอ่ะค่ะหลวงพ่อ มันมันทําให้แบบมันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันคือเราไม่ควรที่จะเอามาเข้าอยู่ในจิตเลยอ่ะค่ะหลวงพ่อมันคือมันมันเห็นแล้วแบบจะบอกใช้คําว่าเบื่อแล้วเห็นทุกอย่างมันเป็นภาระซึ่งซึ่งเราไม่เห็นไม่ควรที่จะไปเห็นทางอื่นแล้วเราควรที่จะมาอยู่ทางเนี้ยมันมันเป็นอะไรที่มันทางที่ดีที่สุดนะคะหลวงพ่อผมเห็นเห็นแบบเนี้ค่ะหลวงพ่อแล้วแบบ มันมันรู้สึกว่าจะเป็นปีติมันก็ไม่ใช่แต่ว่ามันมันมันเหมือนมันมันอยู่ในในใจลึกๆอะค่ะหลวงพ่อมันมันก็ให้มันสงบกันแล้วกันให้ใจสงบหลวงพ่อมันมันเหมือนมันมันก็ต้องมีข้อสรุปไม่ใช่พิจารณาไปเรื่อยไปน้อยๆค่ะหลวงพ่อกายเป็นอาการฟุ้งซ่านไป แต่แต่ในจิตมันจะบอกว่าถึงถึงความส ง, งบหรือความดิ่งตรงนี้ก็ไม่เที่ยงเพราะเราจะเห็นว่าเดิมเราก็ไม่ได้ส ง, งบแบบเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็เลยหยุดยุดติค่ะครับหลวงพ่อแต่แต่หนูหนูจะถือว่าระวังไม่ติดสังขารไม่ติดความคิดปรุงแต่งติดการพิจารณามันต้องได้ข้อสรุปแล้วมันต้องหยุดไม่ใช่พิจารณาไปแบบ ไม่มีไม่มีเวลาหลับเวลานอนนีนี่สดามัน mm hmm. มันติดติดสังขารว่ติดความคิดปุ่งแต่งมั น, ม, นมันเยอะไปใช่ไหมคะหลวงพ่ออ่าิจารณาเพื่อปล่อยวางจิตจะได้สงบสงบแล้วก็จบมันมันเห็นความสลดสังเวชอยู่ในใจอ่ะค่ะหลวงพ่อมันเห็นแบบนี้ค่ะแต่ว่า เห็นนะมันต้องหยุดไงเห็นนะมันจะได้ปล่อยวางแล้วก็จบไม่ต้องมั้นมันจะพิจารณาไปถึงไหนล่ะมันถึงจะจบล่ะคื อ, อหนูก็ถามมันเหมือนบอกว่าพอหรือยังยังรักยังหลงไหมไอ้กายเนี้ยหลวงพ่อพ อ, อ, พ, อพอมันตัดตรงเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็เหมือนทําให้วางได้ออกมาได้อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อพอหรือยังหยุดหรือยังเห็นเห็นแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมัน มันก็ตัดขาดออกมาตัดขาดแล้วก็มันก็จบไปเลยไม่ตัดฉาดแล้วจะไปทําอะไรต่อก็คือหยุดหยุดเลยค่ะหลวงพ่อพอพอพอสอนมันแบบเนี้ค่ะหลวงพ่อมันก็คือจบแล้วก็หยุดออกมาเพียงแต่ว่าหนูไม่ไม่เคยเป็นประเภทแบบว่ามันพอยิ่งพิจารณาพิจารณามันมันวูดเข้าไปอย่างนี้ยค่ะหลวงพ่อมันแบบมันนิ่งมัน หนูอธิบายไม่ถูกมันนิ่งมันสงบในจิตมันไม่ได้มีแบบวอกแวกเหมือ น, นมีสติคุมอยู่ตลอดเนี้ยค่ะหลวงพ่ อ, พอจนจนสุดท้ายถามว่าพอหรือยังเข้าใจไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะหลวงพ่ อ, พอมันก็เลยเลิกค่ะหลวงพ่อพ อ, อืมโอเคค่ะมันต้องมีพิจารณาเพื่อให้มันจบมันมีข้อสรุปแล้วก็จบเห็นว่าเป็นตายรับก็จบแล้วค่ะหลวงพ่ อ, พอ โอเคหมอจะแล้วไม่ใช่สัดเฉพาะร่างกายของเราร่างกายของทุกๆคนเหมือนกันหมดทั้งาทั้งเรางคนที่เา<อ>ักทั้งคนที่เราเกลียดเหมือนกันหมดหลวงพ่อคะแล้วพอหนูกลับไปทํางานพอหนูไปเห็นเห็นภาพหรือเห็นคนมันจะวกกลับเข้ามาที่ตัวเองหมดเลยอะ่ะค่ะหลวงพอ่อยังเห็นเห็น อย่างเห็นคนอื่นมองเห็นขาเห็นอะไรเครื่องในอะไรอย่างเงี้ยมันจะกลับเข้ามาที่ที่ของเราอ่ะค่ะหลวงพ่อก็เห็นสักแต่ว่าเห็นไงเห็นแล้วก็เฉยเฉไปย่างจะมีอารมณ์กับกับคนที่เราเห็นเขาจะดีก็จะชั่อเขเรื่องของเขาไปค่ะเรามีหน้าที่รับรับรู้แล้วก็จบปล่อยวางสักแต่ว่ารู้ไป โอเคเข้าใจแล้วค่ะขอบพรคุณค่ะอ่ไปที่คุณหนูทุกตาเพชรบุรีเคยเข้ามาแล้วใช่ไหมคุณทุกตาค่ะหลวงราชการใ้่ค่ะหลวงการเคยเข้ามาแล้วค่ะรอบก็ถามเรื่องที่ให้ได้มาซึ่งสมมาทิธิค่ะวันนี้ก็มาวันนี้ก็เดี๋ยวถาม กระส่งการบ้านหรือเปล่าก็บอกตรงๆว่ายังไม่ได้มาซึ่งสัปดาสิทิ่ า, านาอาจารย์แต่ก็เพียรทําอยู่แล้วก็วันนี้จะมาเล่าถึงสภาวะอาการแล้วก็มีคําถามตอนท้ายนะคะต่อหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วที่ได้ได้ไดไดคําถามถามไปเรื่องจะทํายังไงให้ได้มาสัปดาสิทิ่ผ า, านาอาจารก็ก็กลับไปก็ไปปฏิบัติแล้วก็มีความทุกเกิดขึ้นค่ะศาสตร์อาจ า, า, ารย์เราเรามีความทุกข์เพราะว่า เราเข่งเครียดเข่งคาดว่าเรานั้นประมาทแล้วก็เนื่องช้ามากเกินไปหรือเปล่าทําไมเราเราถึงยังทําไม่ได้แล้วเราทำไมถึงยังไม่ได้ขึ้นสัมมาทิสสุสักทีหนุก็เลยมีความขึ้ดมาเกิดขึ้นแล้วแล้วก่อนที่จะออกไปทํางานตรอคนไข้กับอาจารย์หมอเนี่ยน้ำตามันก็ร่วงร่วงลงมาเพราะเพราะว่าเราเรารู้ว่าเราทุกเนี่ยทุกเกิดขึ้นมาแล้วแกเรานะอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้ว เราก็รู้พอเราพิจารณาแล้วก็รู้ว่าเออเราทุกข์เพราะว่าเราไปยึดว่าเราอะอยากปฏิบัติให้ได้ซึ่งกสมาทิถี่ถือว่านยแต่ในความทุกข์นั้นอะมันมันจะมีจุดหนึ่งที่แบบเราเราจะมีความว่าเราเราจะไม่ย่อท้อแล้วเราจะไม่หันกลับไปในจุดที่เราเคยต่ํามากว่านี้นะแล้วนะในตอนนั้นเราจะไม่มี แต่จาจำไม่กลับไปเช่นนั้นแล้วนั้นเราจงอดทนและเพียพรภาวนาต่อไปอย่างประมาณเนี้ยมันก็โอเคแล้วทุกมันก็หายไปแล้วหนูก็ไม่ทันช่วงจังหวะที่ทุกเนี่ยมันหายไปก็คือเราเรายังจับจับไม่ได้ว่ามันหายไปตอนไหนนะคะพระอาจารย์ใช่ค่ะเวลาให้รู้ว่ามันทุกแล้วไม่ทุกก็แล้วกันถ้ามันไม่ทุกกระจบใช่ค่ะแล้วก็ถ้ายังทุกอยู่ก็ต้องทำให้มันไม่ทุก ค่ะอาจารย์แล้วก็ช่วงช่วงนี้หนูจะมีมีจังหวะที่มีอาจารย์หมอเขาเขาเขาก็จะมีมาปรึกษาเรื่องบอกว่าโดนถูกดินทากล่าวหาว่าร้ายกับหนูหนูเองหนูเองหนูหนูก็มีโดนบ้างแต่ว่าหนูหนูเองก็จะบอกกับท่านไปว่าอ่านั้นเป็นเป็นพฤติกรรมของเขามันอาจจะเป็นพฤติกรรมที่เขาชอบดินทาเราแล้วก็มาภาคภูมิถึงเราแต่เรเราเองเราก็เพียงแค่รับรู้รับทราบ อหนูเองหนูเองอาจจะสอนอาจารย์หมอไม่ได้มากแต่ว่าหนูเองหนูหนูทําในใจของหนูเองว่าเราอยากเอาตัวเอาใจเข้าไปเล่นเพราะว่าเราถ้าเราเอาตัวเอาใจลงไปเราเนี่ยแหละก็จะเป็นผู้ทุกข์เองดังนั้นเราดูอยู่แล้วก็ทําใจให้ให้รักษาใจตนเองดีกว่าอะไรประมาณนี้ยเจ้าค่ะประมาณนี้ก็เด็กถูกต้องค่ะค่ะแล้วก็มี อ่าคำถามอ่พอ า, า, รรออ า, าพระอาจารย์ค่ะถามเรื่องของของโซดาบันเจ้าค่ะพระอาจารโซดาบันนี้ยังยังยังเป็นผู้ที่มีความทุกข์อยู่อ่าเป็ทุกทุกบางเรื่องบางเรื่องก็ไม่ ท, ทุกถ้าทุกเกกับเรื่องของร่างกายนี่ไม่ทุกถ้าร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่ความตายนี่พระโซดาบันจะไม่ทุกข์แต่ยังไม่ทุกข์กับความอยากที่อยากยากังอยากจะมีแฟนอยู่ อ๋อใช่ใช่ก็ค่ะหนูหูก็จะถามต่อพระอาจารย์เนี่ยค่ะจะอาจจะเป็นอ่าอย่างสมบัติยังยังอยากมียังอยากมีผู้คลองยังอยากมีเรื่องของโฟกัสซับยังอ่าความสวยความงามด้วยใช่ไหมคะพระอาจารย์คะยังอยากอยากอยากจะมีความร่วมเพศอยู่อะไี้ยไม่ง่าย เพราะว่าเพราะว่าหนูเองหนูเองหนูก็ยังยังยังยังมียังมีความเรื่องของอยากอยากอยากยังยังสวยยังอยากงามอยู่ในตามวัยของเราแต่ว่าหนูเองหนูหนูคิดว่าเอ้แต่ว่าหนูก็จะทำํทำทาในใจให้ให้น้องไปว่าไอ้วันหนึง่งั้งหนึ่งกายเราสัางขารเราก็ล่วงโรยไปมีความดับไปมีความเหี่ยวเนี่อย่างที่พระจางเคยเคยเคยบอกให้หนูพิจารณาดูร่างกายว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้ววันหนึ่งมันก็ดับไป มีความตายเกิดขึ้นหมายว่านี้เจ้าคะ่ะแล้วก็อันนี้เรื่องโสดาบั น, ห น, ห, นหนูถามพระอาจารย์พิททองร่างกายของของพระโสดาบันท่านไม่ทุก ด, ด้วยแต่ท่านยังไปรักร่างกายของคนอื่นยังอยากจะมีแฟนอยู่อ๋อว่าเจ้าค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ลองป็นเจนาสุภาพถึงยิ่งเห็นว่าร่างกายที่เรารักเราชอบมันไม่สวยไม่งามแล้วก็มี ช่วงจังหวะหนึ่งหนูหนูต้องไปปั๊มหัวใจคนไข้หลังจากปั๊มเสร็จหนูก็มาม า, มาพิจารณาแล้วก็ถามถามตัวเองว่าเราถ้าเราเดินไปแล้วแล้วเร า, เร า, เราตายขึ้นมาเราพร้อมที่จะตายหรืออย่างอะไรประมาณนี้หนูก็ตอบตัวเองขึ้นมาว่าจริงๆแล้วเราเราเร า, เราอ่ะยังยังไม่พร้อมที่จะตายเพราะว่าเราเราเร า, เรารู้รว่าตัวเองว่าเรายังปฏิบัติ ยังไม่ยังไม่ได้ดีพอเลยอะไรประมาณเ้าเราก็เลยเราก็ยังมีความคิดว่าเรายังเสียดายถ้าถ้าเราเดินไปนะวันนี้เราแบบเดินไปแล้วตายเลยประมาณนี้ก็ยังมีความเสียใจยเสียใจยอยู่ที่ที่ยังปฏิบัติยังไม่ได้ถึงเลยประมาณเนี้ค่ะอาจารย์สภาวะพอง่งช่วงตอนนี้นะคะก็ยังรักกางยังยึดติดกับร่างกายอยู่ยังไม่ยอมปล่อย ใช่ค่ะแต่ว่าหนูหนูเองก็จะพยายามแล้วก็ต้องต้องต้องโน้มใจไปตรงนั้นว่าอ่างกายขาความต า, เ, ามเกิดขึ้นได้ทุกเวลาใช่ค่ะความตายเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกทุกลมหายใจเพราะว่าพอหนูว่าหนูหนูข้อดีของของหนูโอกาสของหนูก็คือหนูหนูอยู่ใกล้ความตายตเดแทบจะทุกทุกวินาทีใ น, ใ, น ใ, นในการอยู่กับคนไข้โรคหัวใจก็เลยว่า สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราได้พิจารณานะกายใจของเราด้วยนะเจ้าค่ะอืมพิจารณาจนปล่อยวางให้หนดพร้อมที่ให้มันตายในยทุกเวลาอ า, า, าอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ก็วันวันนี้ลูกก็เพราคงเพียงแค่นี้แล้วก็ต้องปึกอา่าทําการป้าแล้วก็ทําข้อสอบที่ที่พระอาจารย์บอกหนูมาครั้งที่แล้วว่าอา่า ก็การให้ได้มาซึ่งสมาธิิก็เป็นข้อสอบของเราที่สําคัญเลยเจ้าค่ะสว่สดีาจะรย์โสดาบันก่อนหนึ่งก็ต้องได้มาซึ่งสมาธิิก่อนในประมาณนี้เจ้าค่ะอืมก็ต้องเห็นตายแล้เห็น <รา S 1> เห็นต้องการเป็นตายแล้วอืมเจ้าค่ะป้าปอืมโอเคนะมีอะไรไมีคําถามไหม ไม่มีแล้วค่ะอาจารย์เดี๋ยวครั้งหน้าก็ถ้ามีโอกาส ก, าก็จะเข้ามาในซูงอ่ะกับพระอาจารย์ก็ค่ะโอเคสาธุจารอาจารย์ค่ะค่ะคุณเหงียนชัยคุณหงียนต่อกับนิมมสการค่ะพระอาจารย์วันนี้มีอะไรหมอ่ามีนิดหน่อยค่ะพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องเออโยมอ่า เห็นคลิปของอพระอาจารย์ในธรรมอาคามีคนถามเรื่องการไม่ยึดในวิญญาณขันและพระอาจารย์เมตตาแนะนาว่าจริงๆตัวปัญหามันคือเวทนาขันว่าเอาเวทนาเนี่ยมันเป็นตัวที่ว่าเราจะต้องเรียกว่าถ้าเกิดว่าเรามีสุขเวทนาทุกเวทนาแล้วก็อีกอันนึงคือไม่สุขไม่ทุกข์คือว่าถ้าเราเจออะไรอย่างเงี้ยที่ถูกใจเราก็จะไปยึดมันและ เจอสุขเวทนาแล้วก็อยากให้สุขเวทนาอยู่กับเราเป็นนานๆแต่เรามักจะลังเกียจกับทุกขเวทนาอันนี้ยมยมยมเข้าใจในในในตรงนี้นะคะพระอาจารย์ทีนี้ว่าโยมมาพิจารณาเรื่องสมมติว่าการทําบุญนะคะพระคุณเจ้าบางทียมจะเห็นว่ามันจะมีกลุ่มเพื่อนคือยมมีเพื่อนที่ชอบทําบุญหลายกลุ่มนะคะพระอาจารย์จะมีกลุ่มเพื่อนอีกกลุ่มนึงซึ่งเขาจะชอบทําบุญปิดทองพระุทรูปมากมากเลย แล้วก็จะมีพระอาจารย์ท่านก็จะนำบุญแต่ว่าปิดทองพระพุทธรูปอย่างเงี้ยค่ะพระคุณเจ้าซึ่งเคยมีคนมาพูดกับโยมอะค่ะว่าจริงๆอะในกลุ่มที่เป็นพระเนี่ยที่นำบุญเหมือนกับว่าให้ติดอยู่ในในรูปหรือว่าในในการทำบุญพวกเนี้ยมันจะจริงๆไม่สอนให้ถึงที่สุดแห่งธรรมท่านบางที คือพาเองก็ไม่คือไม่สอนให้ถึงที่สุดอะสอนให้คนติดอยู่ในตรงเนี้แต่ว่าทิที่ยมคุยกับเพื่อนๆที่เขาทําบุญปิดทองนะคะพระคุณเจ้าซึ่งเวลาพวกเนี้ยเขาก็นิสัยดีแล้วเขาก็บางทีเขาต้องการแรงงานอยแบบนี้ยอมปิดทองเป็นเขาว่าชวนไปแล้วโยมก็ถามเพราะว่าอ่าทําไมแต่ยมไม่ได้แบบไปคานเขานะเพราะว่าเขาก็รู้ว่าโยอมนับถือสายหลวงปูง่มั่น โยงก็บอกแต่เขาว่าจะเป็นอีกสายหนึ่งแต่โยงก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเกิดคุยกันแล้วเดี๋ยวมันอาจจะแบบมีมีคือความคิดมันไม่ได้ตรงกันอยู่ละแต่ว่าเราอะช่วยได้ไม่เป็นไรเราก็ก็ทําบุญตรงนี้ก็กได้แต่ว่าบางคนที่เขามีวิชายอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเขาเห็นวิมานเขาเขาเห็นกองบุญเขาอย่างเงี้ยครับอาจารย์ทีนี้ว่าโยงก็คิดว่าโอเคตาเนี่ยเหมือนเรา เห็นแล้วล่ะหรือว่าจิตเขาว่าที่เขาเห็นแล้วว่ามันมีกองบุญโอ้โหวิมานบนสวรรค์บแบบกองบุญเนี้ยใหญ่แล้วเขาก็จะทําแต่ตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันจะอันนี้คือการการยึดติดใช่ไหมคะพระคุณเจ้ายึดยึดติดในบุญอันเนี้ยยึดในสุขคบเวทนาไหมคะอันนี้เขาชอบทําแบบนั้นเขาก็ทําำเข้าไปค่ะ แต่อันนี้ไม่เสียหายครับมันเป็นแต่ว่าเป็นความสุขในบุญอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมใช่บางคนก็ชอบไปนกปล่อยปลาก็ไปปล่อยนกปล่อยปลาบางคนก็ชอบไปถ่ายวัวถ่ายโคก็ไปบางคนก็ชอบไปอถวายภาพป่าก็ไปบาไม่ยากอยู่บางคนเองก็มาถวายสังฆทานทุกวันพระเนี่ยเราทำอะไรคือตอบได้ที่มันทําแล้วเราปล่อยวางแล้วมันไปยึดไปติดทําเพื่อสละทําเพื่อ ะกิเลสคือความตันหนีก็ใช้ได้ทัแต่ถ้าทำแล้วไปยึดไปติดว่าโอ้ยต้องต้องเป็นของฉันต้องเป็นอะไรมีฉันมีเกี่ยวข้องด้วยเป็นสมบัติการเป็นสมบัติของเราพระองค์นี้เราไปติดทาวน์้นเป็นของเราขึ้นไม้คือทําโดยไม่ยึดติดเข้าใช่ไหมทําได้ทําบุญติดบุญไม่เป็นไรแต่อย่าไปติดสิ่งที่เราทําทําแล้วเสียดายอยากเขาหนึ่งถ้าเขาแมวไป ถ้าเข้าไปใช้ผิดประสงค์เราก็เสียใจอะไรอย่างนี้นี่ต้องปอนเขาทําเพื <ian <ian God, ober, God ่อพระพุทธศาสนาค่ะทําช่วยหรืออย่างนี้ได้จริงค่ะถ้าเขาคิดว่ามีมีพระทั้งรูปสวยๆงดงามก็เป็นที่ให้คนเขากราบไหว้บูชาค่ะก็ไม่มีข้อห้ามตรงไหนค่ะแต่มีบางคนก็เหมือนว่าสอนให้ไม่ถึงแบบไม่สอนให้ถึงที่สุดแห่งแห่งธรรมถึงพันิพานสอนให้ไปติดอยู่แค่สวรรค์อย่างเงี้ยค่ะพระบางมีคนพูดอย่างเงี้ยค่ะโยมก็ เลยนึกถึงเรื่องของเวทนาขึ้นมาค่ะว่าเาเวลาเราเห็นพวกนี้บุญบางอย่างมันก็ทําให้เรามีความสุขได้อย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. อย่าง mm hmm. อาการปิติที่มันเกิดขึ้นเองอะค่ะพระคุณเจ้าเวลาเราทําบุญที่มันแบบทําบุญใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันจะมีความปลื้มปิติอะไรแบบที่เราจะแบบ mm hmm. มันก็ไม่ได้ไม่ได้อยากให้มันเกิดมันจะรู้สึกสุขของมันอย่างเงี้ยพอเรา อันนี้มันเกิดสุขเวทนาแล้วแต่พอเราอย่างเงี้ยมีมี ม, มีมีปัญญาใช้ปัญญารู้ว่าเอยความสุขเนี้ยมันก็จะเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ทุกข์มันก็สุขอย่างเงี้ยอันนี้ยคือเราก็ไม่ได้ไปยึดติดกับปิตินั้นถูกต้องไหมคะพระคุณเจ้าใช่เพราะบางทีมันมันเกิดมันอาจจะไม่เกิดก็ได้ค่ะถ้าอยากให้มันเกิดถ้มไม่เกิดก็รู้สึกเออทําะไรนี่ไม่สนุกเลยไม่ปีติเลยอ๋อค่ะเพียงให้เรารู้เท่าทันใช่ไหมคะก็รู้ว่าตอนนี้ยปนัญนี้จังอนัตตา เราไปกำหนดไปสั่งมันไม่ได้ค่ะแล้วเวทนาที่พระคุณเจ้าพูดอ่ะมันอยู่ในสติปัฏฐานสี่ใช่ไหมคะก็คือหมวดเวทนานุปัตติสติปัฏฐานอันนี้คืออันเดียวกันใช่ไหมคะที่เราจะต้องพิจารณาความรู้สึกของเราว่าให้มันอยู่ในอุเบกขาทําอย่างนี้ถูกต้องไหมคะพระคุณเจ้ากอย่าไปยึดกับมันปล่อยมันมาปล่อยมันไปมันจะสุกมาก็ปล่อยมันมาทุกมาก็ปล่อยมา อย่าไปมีปฏิกิริยากับอาการต่างๆเวทนาต่างๆอย่ามียินดียินร้ายง่ายๆไม่นฉยอุเบกขามอให้ก็เป็นอนิจจังทุกสังขารตาเจ้าค่ะเหมือนกับว่าพระคุณเจ้าอีกคําถามหนึ่งอย่างเช่นว่าสมมุติอย่างเรื่องการเมืองตอนเนี้ยอย่างสมมุติว่ามันจะมีคนที่เราชอบหรือคนที่เรารู้สึกว่าไม่ชอบอยู่แล้วแต่ว่าถ้าใจเราอ่ะพระคุณเจ้าให้มีอุเบกขาหมายความว่าเวลาเราแบบ อ่าเห็นหน้าคนเนี้ยหรือได้รับยินได้ฟังเสียงเกี่ยวกับคนเนี้ยข่าวเกี่ยวกับคนเนี้ยเราก็ต้องวางใจเป็นว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นรู้ก็รู้เฉยๆแต่เราไม่ต้องเอาจิตเท่าเราไปปรุงแต่งให้เกิดเวทานาว่าเอ้ยเราชอบคนนี้หรือว่าเราไม่ชอบหรือว่าชังคนนี้ถูกต้องไหมคะใจเรามันก็จะเป็นกลางไม่กระเพื่อมเพราะนั้นแหละทำหน้าเพื่อฟได้บางไม่ได้บางนะคะบางทีเราเห็นข่าวปุ๊บและไปไว้แล้วก็มานึกวิจัยเราทําไมมันเป็นแบบนี้ล่ะ ก็ต้องยายทับใจให้นึ่งไม่ว่าจะสัมผัสรับรู้กับเรื่องอะไรทั้งหมดเจ้าค่ะกล่าวขอบพระคุณเจ้าค่ะขอ<ห>พระอ<ร>าจารย์คท้าพันแข็งแรงเจ้าค่ะแสงที่สติปัญฐานเนี่ยที่ให้พิจารณาก็คือให้อย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปรักไปชงังร่างกายก็อย่าไปรักไปชงังเวทนาก็อย่าไปรักไปชงังอารมณ์ในจิตก็อย่าไปรักไปชงังท่นนเองมองเห็ น, นมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเหมืมอนเราอนัตตา พวคุมัง่งครัมันไม่ได้เจ้าค่ะแต่แล้วก็สักตะวันลุกไปกับทุกอย่างได้เจ้าค่ะกราบสาธุเจ้าค่ะกราบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เข้าใจขึ้นมากเลยค่ะขอบคุณอบคุณปาเมื่อไร่ชีรชากราบนะมันสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เมื่อสืบเนื่องมาจากอาทิตย์ที่แล้วค่ะที่หนูไม่ได้เข้าซูมแต่ว่าหนูพยายามเข้าเข้ามาแล้วก็รอ มันเหมือนก็เข้าออกมาสามรอบแล้วใชคะเจ้าค่ะเพราะว่ามันมีติดภารกิจเรื่องการงานแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็ก็ตั้งใจว่าจะเข้าปรากฏว่าก็เข้าไม่ได้อีกหนูก็เลยแบบนึกไม่ใจว่าเออไม่เป็นไรหรอกเ อ, อ่าเดี๋ยวเดี๋ยววันเสาร์ไปหน้ากุฏิอีกปรากฏว่าเจ้านายก็โทรมาบอกว่าขอให้มาเคลียร์ช่วยเคลียร์งานให้หน่อยเป็นงานสําคัญจะเป็นการสืบสวนพนักงานตอนตอนนั้นนะคะก็รู้สึกว่าว่าเสียดายนะคะ วเออเราเราไม่ได้เราไม่ได้ไปวัดที่ที่เราชอบตอนเราต้องมาทำงานนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะรู้สึกว่าจะฟัดกระเฟียดแต่ว่าพอรอบเนี้ยมันก็เออก็เออถ้าไม่ได้ไปก็คือไม่ได้ไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อ่าถัดมาจากนั้นอีกมันก็มีโปรแกรมยาวเช่นคุยกับพนักงานซึ่งมันก็เป็นการรองรับอารมณ์เช่น ว, วันหนึ่งก็คุยสิบสองคนสิบสองคนก็มาก มากเรื่องอะค่ะเป็นเป็นสิบสิบเรื่องเกือบร้อยเรื่องแต่ว่าพอหนูมาพิจารณาแล้วว่าหนูหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้หนูตัวเบาสมองหนูไม่ได้หนักเหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วหนูกลับแต่หนูกลับมาบ้านนะหนูรู้สึกว่าหนูเหนื่อยกายมากแต่ใจหนูไม่ค่อยเหนื่อยพอมาฟังตอนที่พระอาจารย์เทศถึงเอเรื่องของกุเบกขาอของคุณจุ๊บโกเบะค่ะหนูก็เลยมาเข้าใจว่าอ๋อ ไอ้อุเบกขาที่แท้จริงมันก็คล้ายๆแบบนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะแบบอะไรเน่นเอ่ อ, อุเบกขาค่ะเพราะว่า เ, าเราเจอเรื่องแต่ละปะั๊บเรื่องเรื่องร้อยพันแปดเลยค่ะแต่ว่าเราทําเราก็เฉยๆไม่ได้ไปทุกไม่ได้ไปสุขกับมันไงเจ้าค่ะอ่าแล้วก็ในเรื่องในเรื่องของของการปฏิบัตินี่คือถ้ามันไม่ได้เป็นจังหวะ ก, กับโอกาสเนี่ย การใช้กรรมฐานก็คือใช้ปัญญาเอามาคิดอ่าเมื่อเกิดเมื่อเกิดคําถามแล้วคิดได้เองหาข้อสูนยได้เองนั่นก็คือปัญญาปัญญาเริ่มทำงานแล้วก็อันนี้ค่ะว่ามาในส อ, สองเดือนนี้หนูหนูยอมรับว่าหนูหนูห่างสมาธิไปเยอะแต่ว่าหนูเอากรรมฐานมาทดแทนนะคะมันมันหนูก็เลยเพิ่งเข้าใจว่า เอออุเบกขาจริงๆมันเป็นแบบนี้ค่ะก็แต่ว่าช่วงนี้น่าจะดีขึ้นนะคะน่าจะตัดสร่อะไรขึ้นได้มากโอกาสที่จะกลับมาเก็บสมาธิกับเก็บสติใหม่เพื่อที่จะมีกำลังให้มากขึ้นในการพิจารณามากยิ่งขึ้นเจ้าค่ะ <Okay. S 2> ขอบคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะอะ่าจ้าเจ้าไปที่รักเสมอคุปุ้ย น, าาน้มัสการนะพระอาจารย์ ฟมืม่อไสบายดีนะสบายดีพระอาจารย์มารายงานตัวเฉยเฉยโยมก็ถือศีลเหมือนเดิมถือศีลแปดแล้วก็ถือศีลเจ็ดตอนกลางวันหลังหกโมงถือศีลแปดตรวจมลนั่งสมาธิฟังพระอาจารย์ก่อนนอนค่ะแล้วก็กดน้ําด้วยทำไมต้องเลยเก็บเนี่ยแปดด้วยเอามันแปดไปเลยทีเดียวไม่ได้นะจริงจริงจริงโยมก็แปดเลยอ่ะ เออเพราะว่าถ้าศีมันมีเก้าข้อเอโยมก็แปะเลยอ่ะค่ะอืมอ่ารักษาได้ห<ด>ลายก็รักษาได้มากก็ได้ได้บุญมากรักษาได้น้อยก็ได้บุญน้อยใช่โยมก็ไม่มีอะไรเพราะว่าโยมตั้งจิตตั้งใจแล้วว่าพรรษานณิยมจะต้องเอ่อขยันให้มากขึ้น โยมจะต้องนั่งสมาธิแล้วก็ถือถีนแล้วก็กวดน้ำที่มันแบบลงลงพื้นดินนะ่ะพระอาจารย์นะฮะก็ทำทุกวันมา ง, งวันก็มีแต่วันนี้แหละที่โยมปวดหัวโยมปวดหัวเฉยๆแต่โยมก็ทำนะพระอาจารย์โยมไม่ลืมเพราะว่าให้มันป่วยยังไงโยมก็ทำค่ะโอเคพระอาจารย์ ขอโน้มถวายพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ทาตขันแขน็งแรงนะคะกราบขอพระคุณเจ้าพ่ออ่าขอเป็นปุ๋ยเปนแต่ความสุขความจรงานนะกราบขอพระคุณเจ้าข้าพระอาจารย์อ่าไปที่คุณแอนสอนคนณแอนตอนนี้ที่ไหนวันนี้กราบหลวงพ่อเจ้าค่ะเพิ่งมาถึงญี่ปุ่นค่ะอ่ารอบนี้มายาวสิบวันเลยค่ะไปนู่นไปนี่ แต่แต่จะไปพักจะไปพักอยู่ที่ญี่ปุ่นนะอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้บินไปเวียดนามค่ะของหนูจะออกมาทีก็คือออกมาทีแบบเจ็ดวันสิบวันเลยออกมาทีกว่าจะได้กลับบ้านอีกทีก็สิ้นเดือนเลยค่ะใช่คที่เวียดนามก็ไปเช้าเย็นกลับใช่ไหม ไ, ไม่ค่ะก็ไปนอนเวียดนามแล้วก็กลับมาญี่ปุ่นอีกเออไปนอนเวียดนามคืนแล้วก็กลับมาญี่ปุ่นแล้วก็พักญี่ปุ่นแล้วก็เดี๋ยวก็มีบินไปรอบนี้เดี๋ยวมีบินบินไปฮาวายด้วยค่ะ ไปทั่วเลยค่ะเึ็ดวันก็กลับบ้านกลับกรุงเทพทีนี่แหละใช่ค่ะเจ็ดวันสิบวันแล้วแต่ว่าเขาจะรอบแต่ละรอบไปที่ไหนบ้างเนี้ยค่ะก็เดี๋ยวรอบนี้กลับบ้านปุ๊บแลนด์วันที่สามสิบสามเอ็ดหนูก็ไปไปไปวัดจะไปปฏิบัติที่บอกหลวงพ่อไว้อะค่ะสามวันลองไปปิดวาจาไปไปลองเอาเอาวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องมาสักหน่อยหนึ่งจะได้เอามาใช้ เวลาไม่ได้ไปยังไม่ได้แไม่ได้ไปวัดอะไรเงี้ยค่ะก็ดีค่ะนี้ก็ไม่ได้มีวันนี้ไม่มีค่ะก็มามานั่งฟังเอาความรู้เหมือนเดิมเจ้าค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไว้ไปกราบหลวงพ่อตอนสิ้นเดือนนะเจ้าค่ะอ่าสาธุสวัสดีดค่ะขอบคุณค่ะอ่าคุณตากับคุณนัทใช่ไหมกับนมัสการพระอาจารย์ค่ะเออเออเออเดี๋ยวนี่แบบนี่เดยวฉั เดี๋ยวถ้าค้าครับอาจารย์แล้วกันครับอาจารย์ผมไปกินสกิทุระคุยทุระอยู่ครับเพิ่งคุยงานนิดนึงครับอาจารย์ครับอันนนอันนั้อยู่บ้านยังต้องทำงานอย่างนั้นเช้าผมเพิ่งงานทางโลกมันก็ยุ่งเหยิงอย่างที่พระอาจารย์เคยเคยเคยเคยบอกครับผมก็พยายามจะเข้าซูมมาในวันพุธเพื่อมามาดึงดึงเบรกหน่อยครับว่ากลับมาลงเรื่องนี้ครับอืม ก็พ ย, ย, ยายามพยายามแยกเวลาให้มันถูกนะจะได้อย่างนเดียวทั้งโลกมันจะนึงไม่หมดค่ะครับพระอราอจารย์คะเมื่อกี้ที่พูดถึงสติปัฏฐานนะคะ<ม>อยากจะสอบถามพระอาจารย์ค่ะว่าในทางปฏิบัติจริงๆอะคะ่ะอย่างอย่างทุกวันนี้นะคะ่ะหนูก็จะพยายามแบบเป็นมีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือมีสติตามกาย แต่ว่าบางทีเราเปลี่ยนโหมดไปมาได้ไหมคะเพราะบางทีเวทนามันเด่นเราก็ฟิตกลับมาที่เวทนาแล้วบางทีอารมณ์มันมันพุ่งขึ้นมาหรืออะไรอย่างนี้เรามีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ไหมคะในทางปฏิบัติจริงๆแล้วมันควรเป็นยังไงคะพระอาจารย์ถ้ามันเป็นปัญหาก็<ม>ก็ถ้าเราสามารถที่จะไปแก้ปัญหาได้ก็ไปแก่แต่ถ้าไม่มีปัญหาเราก็พยายามอยู่กับร่างกายไป ยึดร่างกายไปคือยึดร่างกายเป็นหลักร่างกายเป็นหลักเป็นยึดเพื่อที่ให้ใจมีที่ยึดยึดเกาะจะได้ไม่ไปคิดเรื่องนี้นเรื่องนี้ข้อหมายแรกของการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ก็คือการจันทร์สติก่อนทีนี้เรื่องเวทนานี่บันทีมันเป็นเรื่องของปัญญาปัญญาก็คือเราต้องถ้าเกิดมันเราเห็นว่ามันเป็นตายรักมัน มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราไปสั่งมันไม่ได้เช่นร่างกายเราบางทีเด็กก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ถ้าเราไปอยากให้มันไม่เจ็บไม่ปวดเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเรามองเห็นว่ามันเปลี่ยนไปนมันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ปวฝ่ายมันเปลี่ยนไปอย่าไปยินดีรักกับมันอันนี้มันก็เป็นเรื่องของปัญญา แต่ถ้าเรายังไม่มีกําลังพอเราก็จะไม่สามารถที่จะปลดปล่อยวางมันได้ถ้าเราไม่มีสติสมาธิพออย่างนั้นต้องพยายามฝึกสติฝึกสมาธิให้มากๆก่อนค่ะอาจารย์ก็พยายามอยู่คะ่ะอืมจัดคือบางทีสําหรับผมบางทีพยายามจะฝึกสติให้อยู่กับพุทโธแต่แบบไม่มันอาจจะหลุดหลุดง่ายหรือว่าอาจจะทํา แต่ค่อนข้างสั้นหรือว่าอย่างนี้ถ้าเราเป็นบทสวดที่า ย, ยาวขึ้นมาหน่อยอย่างนี้นได้า้าครับครับส่วนพุทธางสานังประชามิกระดาถามาวสานังประชามิก็ะดาอิปิปิโสก็ะดาคื อ, อยังไงก็ได้ที่ดึงให้เราไม่แบบไปคิ ด, ไป ค, ด ไ, ไปคิดตามอารมณ์ต่างๆได้เราชอบคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่อยู่เฉยๆไม่ได้อืม มันเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะมที่จิ้มมันใจเราจะชอบไปคิดเราก็ต้องอาหาอะไรยุดเนี่ยใช่เราต้องการหาวิธีหยุดมันเพราะมันคิดแล้วมันไม่มันไม่จะทําให้เรามีความสุขถ้าเราหยุดความคิดได้มันจะทําให้ใจเรามีความสุขขึ้นอเลยครั บ, รบพระอาจารย์ค่ะจะพยายามต่อไปค่ะพระอาจารย์จะนําไปฝึกฝนทําอย่างต่อเนื่องที่พระอาจารย์สั่งสอนครับครับอือดีครับขอบพระคุณพระอาจารย์มากครับ คุณสิลินตัแนแรนแนี่ลนด์ยูน่าสลินตันรัการเจ้าค่ะยมก็ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์เข้ามารับฟังธรรมแล้วก็เข้ามากราบพระอาจารย์เจ้าค่ะั น, นี้ยังทํางานอยู่ยังทํางานอยู่เหมือนเดิมค่ะยมรู้สึกว่ายมมาทางโลกเยอะไปหน่อยอ่ะคะ่ะต้องต้องต้องลดลงอ่ะคะ่ะมีเรื่องเยอะแยะไปหมดเลยแต่ก็ต้องปฏิบัติให้มากขึ้นนะคะ อันนี้ก็ยังปล่อยให้เราทํางานที่บ้านได้อยู่นะยังปล่อยอยู่ค่ะก็ยงก็เขาไม่ค่อยสนใจโยงเท่าไหร่ะยงจะทําที่ออฟฟิศหรือทำที่บ้านเขาก็ไม่ค่อยสนใจค่ะ ย, ยังไงก็แล้วกันนะค่ะใช่ค่ะแต่ปบังเอิญช่วงนี้มันมีรีพอร์ตอะไรต่ออะไรให้ทํามากขึ้นก็เลยก็เลยไม่โดนกระทบทางโลกทางโลกเยอะหน่อยนะค ะ, คะต้อ ง, องทําำเบงคาวางเฉย ค่ะพระอาจารย์แต่โยมคิดว่าการปฏิบัติถึงแม้มันจะไม่ได้มันมันมั น, มนเป็นเหมือนสามสามวันพัฒนาสี่วันถอยหลังอะไรวันเนี้ยนะคะแต่มันก็ยังรู้สึกว่าในใจลึกๆเนี่ยมันยังมีความสงบอยู่บ้างอะคะ่ะอาจจะไม่ได้ทีเดียวแต่ว่าเวลามีเรื่องมากระทบเราก็เราเร า, เราปล่อยได้มากขึ้นนะคะอืก็จะปฏิบตัติต่อไปค่ะพระอาจารย์ได้ค่ะกลับ <Okay. S 2> ขอบพระคุณพระอาจารย์่าสาธุ คุณหมอท่านทวุฒิเชิมอกกับนอานพระอาจารย์ครับหมาว่าทางานตลอดเลยนะอ๋อวันวันนี้ไม่ได้ทํำแล้วครับตอนนี้เบาซิ่งครับแต่เดี๋ยววันศุกร์มีเลคเชอร์เดี๋ยวจะต้องเสร็จอาจะต้องไปเติมเลคเชอร์ครับพอดีวันก่อนผมไปฟังธรรมของท่านนะครับเรื่องอ่าเรื่องทางแห่งการจํำจาชื่อไปได้ทางแห่งการปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า แค่แค่ประมาณว่าไอ้ไอเวลาเราออกปฏิบัตินะครับก็จะมีความสําคัญในช่วงต้นคือบางทีถ้าเรามีศรัทธาแต่ว่าถ้าเรามันก็จะต้องท่านบอกว่าเหมือนที่ท่านเทศมันจะต้องมีวิริยะมีขันติที่แรงกล้ามันจะได้มีกําลังส่งซึ่งมันจะได้ตรกนี้มาจากผลของการปฏิบัติอ่าถ้าเรามีความสงบเข้าสู่กาปฏิบัติได้แล้วก็ท่านก็ยกตัวอย่างพว ก, กรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่บางทีเราอาจจะมองไม่เห็นอย่างเช่นถ้าเราเออกปฏิบัติแต่ว่า ถ้าเรายังมีโทรศัพท์มือถือไปมันก็จะเหมือนกับสงบแต่กายแต่ใจมันก็ผู้วุ่นวายแล้วมันก็ทําให้ปฏิบัติมันไม่ไปถึงไหนนั้นบอกท่านยกตัวอย่างมันต้องปฏิบัติให้เหมือนอ่าให้โลกเป็นว่างเปล่าตายไปจากโลกอะไรย่างเงี้ยก็เลยอยากทราบแน ว, ท า, วาทางเวลาที่ท่านปฏิบัติในช่วงต้นนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเวลาเราออกปฏิบัติในช่วงต้นเนี้ยอันนี้มันก็คงเป็นเหมือนกับอทางแยกกิ่ว่าเราก็อาจจะบวชแต่ตัวแต่ไม่ได้บวชใจอันนี้เราจะทำยังไงปฏิบัติยังไง การรูปเสียงกินวัดไปให้เหมือนี่ยอยากไปรับรู้เรื่องราวทางโลกไม่ว่าจะเป็นหนังซื้อเพิ่มสมัยก่อนไม่มีมือถืออย่างสบายเลยแล้วเรียกว่าซำรวมเป็นสี่ปิดทวารทั้งห้าอะอย่าให้ใจไปรับรู้เรื่องทางโลกอย่าทางตาหูจมูกเนี้ยตายครับทีวีก็ไม่ดูโทรศัพท์ก็ไม่ใช้ไม่ติดต่อใครครับฮะ ก็ ค, คือโทรศัพท์ก็อเอาแบบโทรศัพท์แบบ ไ, ไม่ต้องถ้าใจปฏิบัติจริงๆก็ทิ้งไปเลยไม่ไมไมไมติดตาใครเลย <c oughs> ถ้ามีเรื่องอะไรมันต้องมีเรื่องต้องให้คิดอยู่ดีครับค่ะฮะครับแต่ถ้ายังจําเป็นจะต้องเวลาที่พัฒนาไอฟโฟนเนี่ยคงคงคงดึงเราไปกับวุ่นวายกับนเยอะก็ต้องเอาโทรศัพท์แบบแค่แล้วมีเวลาโทรถ้าปฏิบัติจริงๆมันไม่มันไม่เอาเรื่องะไรไม่เอาเลยทิ้งหมดนะครับอ่ะ อืมที่มันครับอ่ะฮะก็คือถ้าถ้าเจอาแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะก็ไม่ไม่อะไรอืครับอ่ะฮแต่ถ้ายังมีข้อผูกพันยังมีภาระอยู่ยังต้องครับต้องรับรู้ต้องส่งผ่าวสารอยู่ก็มันก็จะกลายเป็นอุปสรรคได้ใจเราก็จะกังวลกับมันครับอะฮะเราพอได้ยินเรื่องพิมพ์มาก็าจะทําให้ใจเราฟุ้งกันมาได้ครับอ่ครับอฮะอถ้าถ้าถ้าเอาจริงก็ต้องแบบ ไม่ไม่เด็ดต่ครับว่าเราไงครับอะแล้วมันไปอยู่ในสายตาคนได้อย่างรวดเร็วไหมครับถ้าเราแบบตัดทุกอย่างแล้วมันจะแบบในแล้วก็สติทั้งวันทั้งคืนวันเร็ววันเร็วเราใชอยู่ที่สติของเราครับอ่ะถ้าเรามีสติมากของเดิมอยู่มันก็จะสงบม้นก็จะเร็วถ้ามันมีมันมีน้อยก็เราใช้เวลาสร้างสติขึ้นมาอันนี้ครับอ่ะครับอ่ะ อืมถครับฮะแล้วถ้ามันเพลนมัก็จะทำให้เรามีกําลังที่จะจะไปไปได้ฝนยิ่งมีกําลังใหญ่มันก็มีความเพลินมากขึ้นเกิดชันท่ามิเรียขึ้นมาครับฮะช่วงต้นมันก็จะมีความสาคัญเพราะมันเป็นบัวเรียวหต่อแล้วก็ยังมันออกมาแต่มันก็ยังมีสายดึงก็ต้องครับฮะอืมครับใช่ครับก็ก็ก็ต้องตัดไปเลยทั้งหมดนะครับใช่ครับใช่อย่าไปติดต่อใครเลย อืมครับอะไ ร, รก็มีการไม่เซฟไม่อะไรทั้งนั้นให้มัน<อ> ใ, หให้ให้ให้ใจมันให้มันใจมันวิเวกใช่ไหมครับอืาครับอะให้มันสงบครับอะก็ทั้งวันทั้งคืนก็ก็สตินั่งสมาธิกับสติสลับกันแล้วกันงานชงกองนั่งสมาธิ บ, บางเวลาก็อ่ า, อานหนังสือธรรมะก็ได้ถ้าเราอยากจะได้ข้อมูลธรรมะเพิ่มเติมอะไรก็อ่านธรรมะไป แ้วถ้าช่งปฏิบัติด้บ้างครับถ้าช่วงมันคงมีใจที่มันฟุ้งที่มันที่มันไปคิดเพราะเราขาดสติใช่ไหมขาดสติแล้วครับนะถ้าเรารู้ว่าเราฟุ้งเราเริ่มแบบอะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธครับแล้วไอ้การการปฏิบัติคือผมก็ดูลมหายใจผมก็คิดว่าลมหายใจผมน่าจะมีช่องโหว่ความคิดสไกลกใดนี้เอาจริงจะดูลมตอนนั่งดีกว่าตอนอยู่นี่ยไปดูลมครับ การดูดูร่างกายหนึ่งร่างกายแล้วคือไม่ต้องโป๊ะทำอะไรอยู่ครับอ่ะครับอะครัเวลาจะดูตรงนี้อ่ะดูเฉพาะตอนที่นั่งหนึ่งก่านครับอะครับครั บ, รบหรือถ้านั่งแจ้งใจยังไม่ได้สงบยังคิดก็พุโทโธไปก่อนจนกระทั่งเริ่มสงบแล้วก็ค่อยมาใช่ลมก็ได้เนต่องาบางทีพุโทโธจะพาให้เรารวมเลยก็ได้ไม่แน่อืมครับผมคิดว่าได้จุด คงคงอยู่ที่เนี่ยฮะจะไปแล้วมันจะได้สมาธิได้อะไรไหมถ้ามันได้ก็คงมีกําลังแล้วก็คงคงก็อย่าไปคาดยิ่งไปคาดนี้เครขึ้นมาแบบว่าอืมครับนะครับร้อยไปร้อยไปทําความเพียรก็แล้วกันครับอย่าขี้เกียจครับยังคงนั่งสมาธิจารณาสติส่วนผลจะเกิดขึ้นช้าเร็วหรือไม่อย่าไปคาดเาะมันไมมันไม่ได้ดังที่เราคาดแล้วมันจะทําให้เราท้อได้ ครับบางอันผมคิดว่ามันก็เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติอย่างอย่างที่เราบอกไม่เห็นอย่างเช่นอย่างที่ท่านบอกอย่างเช่นพวกโทรศัพท์พวกอะไรแต่ว่ามันเราเราจะรู้เองว่าอันไหนมันมันมันเป็นอุปสรรคฮะหรือว่าคว า, นนามอดอยากการมา ช, าาชันทากในรวปเสียงดินร้อนปวดตาผ้าเนี่ยเป็นอนครับนะครับเพราะไปรับรู้แล้วมันก็ก็จะเกิดความยินดียินร้ายต่อมันขึ้น่ะอืมครับนะครังั้นก็ต้องคิดแบบ ตายไปจากโลกนี้ไปก่อนตายไปแล้วแล้วไปรอด้าตายเลยตายก็ไปต่อจะไม่รอดก็ลองดูต้องต้องเอให้มันหนักขึ้นครับจ้องทั้งหมดพอเราเปลี่ยนครับตามตันดีไปให้หมดเลยคนที่เรารู้จักใครทั้งสิ้นรับมาได้รับครับก็เดี๋ยวลองแ้่ตอนนี้ตอนนี้เราหมดแล้เราไม่ได้ไมบอกใครเลย อ่าดูใจครัว่าคนในในครอบครูัวครับแล้วก็เลยบอกพูดคนนู้นพูดคนนี้จะไปบวชแปลว่าไม่ไม่ยุ่งนะครันตัดทิ้งไม่หมดอล้วเราตัดตั้งแต่เราเริ่มปฏิบัติก่อนที่เราบวชแล้วมีอาการครับครับครับไปมาไปมาหาใครมาช่วยก็ปฏิปฏิเสธไปครับครับได้ครับ เพื่อนนี que que mente, ่คงไม่อยากแต่ครอบครัวก็ยากอยู่แต่ว่าก็ต้องลองดูครับเดี๋ต้องต้องไปแบบพะเจ้าไปหนีไปแล้วก็ติดตามไม่ได้ติดต่อไม่ได้อ่าวดี๋วดูของเจ้ามันตัวอย่างครับไปนะครับครับพระเจ้าไม่แจ้งว่าจะไปบวชแล้วเดี๋ยวต้องจัดพิธีบวชครันใหญ่โตทั้งประเทศเลยครับใช่ครับ แต่มันก็ในความผูกพันประยาอยู่แล้ว่าต้องก็ต้อ ง, ต, องต้องลองครับผมก็ต้อเอาเอาเอาพวกโทรศัพท์พวกการติดต่อให้มันไม่มีอย่าไปติดต่ออะไรพวกนี้แล้วก็แล้วก็แต่ถ้าตัดทีเดียวลกูกอะไรนกสถานั้นั่งไปอยู่วัดตาวัน ต, า น, า, น ต, า, นตาน้องตาทั้งห้ามทีวีห้ามตัวสารห้ามทังซื้อมพ์มครับอะแล้วก็ห้ามออกออกเงาวัดไม่ให้พระรับกลิ่นนิมนต์ ับได้ไปรับรลกลูกเสียงเงินต่างๆเปลี่ยนความเคยชินใหม่ให้มันเกิดขึ้นนะครับให้มันอยู่กับธรรมชาติอย่างเดียวพอไปรับรูปเสียงเงินมันจะทําให้ใจฟุ้งครับอืใจเศร้าได้อย่ารูปที่ชอบแล้วยินดีพอกลับมาวันไม่ได้เห็นก็เศร้าขึ้นมาทันทีครับนะอืมต้องมองเราก็ต้องพยายาม ได้ครับเดี๋ยวลองดูซ้ำนมเป็นเชียงน้ำนมตาเขจะมุ่งเน้นกายครับครับผมครับขอบคุณท่านมากครับเอเน้ํานับปฏิบัติครับอ่าโอเคครับไปที่คุณชนะดาอันนี้อยู่ศรีราชาเลยนึกกลับกรุงเทพว่าทำได้ไหมน้ำสักการเจ้าค่ะพระอาจาร์วันนี้ยังอยู่ศรีราชาค่ะพระอาจาร์ค่ะ ก็ไม่มีไม่ไม่ไม่มีเพื่อนมาใส่บาน ด, ด้วยลูกจริงๆลูกค้าจะต้องไปค่ะเมื่อเช้าทีนี้ เ, เขาเกิดไม่สบายอะค่ะพาจาร์าก็เลยกนเดียวใช่ค่ะพาจาร์แล้วก็ตามจบไปเยี่ยมเขานิดหน่อยลูกจะว่าว่ายังไงเนาะวันนั้นลูกฟังคลิปของหลวงตามหาบัวค่ะพาจารย์จเจอ ตอนก่อนที่ท่านจะเ อ, อบรรลุธรรมสูงสุดอะค่ะพระอาจารย์ท่านท่านพูดถึงอายตนะภายนอกภายในอ่ะค่ะพระอาจารย์อยะอย่างเงี้ยค่ะอยากดูใหญ่ก็ให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายอะค่ะพระอาจารย์ออายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นน้องเนี่ยอายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้วกายเป็นทั้งคู่กันอ๋อ อายตนะทั้งหกก็คื อ, อแยกเป็นาการนอกผ<า>สม อ, อันที่หก็คือใจความคิดค่ะค่ะอ๋อค่ะอาจารย์ก็ให้พิจารณาเป็นไตายรักใช่ไหมคะอาจารย์ทุกอย่างเป็นตายรักหมดไม่เทียมค่ะค่ะอาจารย์ลู <จะ S 2> กๆก<า>็ค่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เดี๋ยวเห็นรูปนี้นะเดี๋ยวก็ไปเห็นรูปนู้นเดี๋ยวก็ไปเห็นรูปนั้นเปลี่ยนไปเสียงก็ได้ยินเสียงนี้เดี๋ยไม่ยินเสียงนั้นมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนอะไรงนี้ค่ะอาจารย์ก็ลูกต้องอาศัยความเพียรอีกค่ะอาจารย์อืี๋ยวไปยินนี้ยินนี้ยินนะไรกับเสิ่งต่างๆที่เข้ามาต่างๆของจมูกเนื้อง่ายใจค่ะมันเป็นของไม่เที่ยง ถ้าไปยินดีเวลามันมันเสื่อมมันจากมาไปก็ทำให้เราเศร้าถ้าไปนังเกียดมันพอมันมาแล้วก็ทำให้เราวุ่นวายถ้าเราทำใจอุ่เบกาได้ก็จะเฉย เ, เ, เฉยะค่ต้องฝึกสตินั่งสมาธิให้ได้อุเบกาแล้วเราเพจะปล่อยวางพวกอันยตนะได้ ค่ะอาจารย์อข้าใจไหมเข้าใจค่ะอาจารย์ค่ะมีอะไรไหมตอนนี้ยังไม่มีค่ะอาจารย์รอก้าวหน้าค่ะอร อ, อความก้าวหน้าอย่าก้าวหลังก็แล้วกันก้าวหน้ากลัวๆอยู่ค่ะอาจารย์ ค่ะน้อมรับครับพอาจารย์กาบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะอัน้กูนิ่งกูนิ่งต่อกูนิ่งหลับแล้วเหรอครับ่พระอาจารย์เกือบหลับแล้วครระคงฟังเพลย์ก็มีอะไรหก็ปฏิบัติอยู่คับพระอาจารย์ก็คงเหมือนเดิมเพราะว่ามันก็มีปัญหาเข้ามาแต่ก็ พอเราคิดได้แล้วก็บางอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดมันก็ทำให้ใจดีดีขึ้นตามมันก็ไม่เป็นปัญหาถ้าเราปล่อยวางหน้มันก็ไม่เป็นปัญหาอ่าตอนแรกก็รู้สึกอยู่แต่พอมานั่งพิจารณาดูว่ามันก็เกิดขึ้นไปแล้วก็ไม่เป็นไรเลยว่าอย่างเงี้ยครับอาจารย์มันแก้ไขไม่ได้แก้ไขยังไม่เกิดก็เหมือนกันมันอะไรจะเกิดมันก็เกิด อ่าพระอาจารย์ก็ก็ดีค่ะก็ฝึกปฏิบัติอะต่อไปที่นี้มันมีมันมีอยู่จุดเรื่องหนึ่งค่ะพระอาจารย์ที่เหมือนกระทบเข้ามาแล้วแล้วเราถามว่าเรารู้สึกอ่าไอ้นี่ไหมเราก็รู้สึกนะคะพระอาจารย์แต่ว่ามั น, ม, นมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเหมือนที่ที่พูดไว้นะคะก็คือบางได้อันนี้ ถ้าเรารู้สึกได้เร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใจเราอะวางได้เร็วมันก็เหมือนกับว่าที่ที่เราทํามาฝึกมาปฏิบัติมาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมครับพาจารก็สติเราไวขึ้นเนี่ยสติเราไวขึ้นรุกมากมากสติมันก็จะไวขึ้นอ่พาพี่อาจารย์อ่าเห็นน้องเขาถามเรื่องโสดาบัน ทนี้ก็มานั่งนึกถึงตัวเองเพราะว่าเป็นคนชอบเข้าสปาไปสปาซำหน้าอะไรประมาณเนี้ค่ะพระาอาจารย์บอกมานั่งพิจรารณาเอาแล้วเสุรพันธ์เนี่ยก็คือจะไม่ได้มานั่งสนใจในเรื่องของอ่า๋อยังสวยงามได้อยู่ยังสนใจอยู่ยังมีผัวมีเมียได้อยู่สดุดท้ามันยังนักผัวนักเมียอยู่อยากจะมีผัวมีเมียก็ต้องแต่งตัวให้สวยๆอ ย, ย่งนี้เดี๋ยวไม่มีใครมาเป็นแฟน อ๋อแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นสกิดารคาดาคาเมลแล้วนี่จะไม่ค่อยสนใจเรื่องความสวยงามนะเราเห็นร่างกายเป็นอระสุพากนะ็เป็นสร้างสดเลยอ๋อค่ะพระอาจารย์คือเป้าหมายของหนูอ่ะไม่ได้มีอะไรครับก็คือรักษาร่างกายเพราะว่าเอา่อตอนนี้เรายังพอที่จะไปนะคะแล้วก็ไป<ม>ปฏิบัติได้อยู่เราก็เลยอยากจะรักษาร่างกายของเราอ่ะเอาไว้ ไปในทางนี้อะค่ะพระอาจารย์่หนูเข้าใจนะตรงนี้แต่ก็ไม่ได้แบบว่าเอาถึงเวลาถ้าถ้ามันจะตายมันก็คือต้องตายอ่ะค่ะพระอาจารย์คือถ้ารักษามันไม่เป็นไรถ้าไปทําเสริมความงาเนี่ยมันเป็นกิเลสอ๋อค่ะพระอาจารย์แต่ถ้าร่างกายต้องรักษามันให้รักษาสุขภาพมันแข็งแรงนั่นก็ไม่เป็นกิเลสอ๋อค่ะพระอาจารย์ก็ส่วนมากก็จะเป็นประกันหลังนะคะพระอาจารย์ หนูเคยคิดว่าถ้า้จะสวยจะ ง, งามมันไม่เป็นผลพลอยได้กว่าแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์มาถ้าให้สวยงามก็เป็นกินเลสแต่ถ้าเป็นเพื่อสุขภาพก็ไม่เป็นกินเล อ, อ๋อค่ะอาจารย์ค่ะก็ก็ไม่มีอะไรครับบางทีมันมาสองอย่างควบคู่กันใช่ไหมมีของแถมมาด้วยแล้วเรื่องการสุขภาพแต่มันก็ทําให้สวยงามขึ้นมาด้วยอ่าก็ไม่ว่าอะไร ข, ขอให้รู้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรก็แล้วกันค่ะ การอันนี้คือหนูรู้ว่าเป้าหมายของตัวเองอะคืออะไรอ่ะครับพระอาจารย<ม>์ถ้าสุขภาพไม่ดีก็คงจะจะไปนั่งไม่ได้จะพา<ม>หลาน ไ, ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับพระอาจารยนะ์มไม่ได้เดี๋ยวพาไปไม่ได้ด้วย อ, <ม>อันนี้ตงกินข้าวพักผ่อนหลับนอนนะนี่ก็เปน็นลลการดูแลรักษาสุขภาพของร่างกายเหมือนกันอ่าแต่ว่าเนื่องกินข้าวได้ได้วันละมื้อครับพระอาจารย์ได้กินแค่กลางวันมื้อเดียวดังจากนั้นก็ไม่ได้ทานอะไรนะ มากแล้วค่พระอาจารย์ส่วนมากก็จะเป็นนับต้องหู้อะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้หนูหนูก็พยายามที่จะปฏิบัติตรงนี้อ่าเพิ่มมากขึ้นนะคะพระอาจารย์คก็ไม่มีอะไรมากนะครับตอนแรกนะถามอยู่ลิงว่าเอจะเข้ามาสาธุจ้าพระอาจารย์ไหมเขาวอกว่าเขาจะไปนอนนอนไปนอนแล้วมั้งผ่านนี่ถ้าหลับไปเรียบร้อยแล้วค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์กลับคุณพระอาจารย์กลับตอนทีจอยจอยพัทยา ยังไงเข้าเอาง่วเก่าพ่อจ้างก่อนอ้ายังไม่นอนอีกแล้วตอนนี้ตอนนี้ตื่นดลตอนเช้าใส่บานนี่ง่วงเงียง่งเงยเยมเขาบอกว่าเขาขอเข้าซูมกับแม่ถูกไหมนี่โอเคแต่ว่าตอนนี้พี่อมทุกอยู่หาะโดนโดนพี่เขาแย่งไม่ได้เล่นเกมของหนูก็ เหมือนเดิ ม, มก็คือเจอแต่ว่าหนูก็พยายามใช้สติสู้แล้วก็พยายามคิดที่พาอาจารย์สอ น, นะคะอ่ะอ่าปล่อยเขาไปเราควบคุมนครับเขาไม่ได้เรอาจะดีจะเชื่อกเรื่องของเขาตัวขเขาค่ะเอาตัวเราใช่ื่อคะเออเราอย่าไปทุก ข, ข์กับเขาก็แล้วกันค่ะนะค่ะโอเคเดี<ะ>๋ยวเราไปส่บาตรโอเค อ่าเป็นเกิดบัณฑิตได้ยินไหมเป็นเกิดบัณฑิมาสการครับได้ยินครับอาจารย์อ่อเป็นไงวันนี้เป็นด้วนอาจารย์หรือเปล่าไปครับเมื่อวันเมื่อวานก็ได้ไปทำบุญกับพระหลวมพ่อเยือนครับวันก่อนว่าวันศุกร์ได้ไปนวดถวายพระอาจารย์เอกชัยครับนั่นมาจากเชียงรายครับอาจารย์นั่นก็มีสอนธรรมะให้เราด้วยครับว่าทําอะไรก็ให้สติอยู่กับตรงจุดนั้นนะครับอาจารย์อืม แล้วก็ให้รู้ว่าถือมันมันมันก็คือความจริงก็คือมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่ต้องไปเอาใจไปเล่นนะครับอาจารย์อืมนวดเฉยเฉยเฉยแต่ว่าเลื่อนไปใช่ครับอาจารย์ก็เหมือนได้ออได้นวดถวายท่านก็ได้เหมือนฟังธรรมแล้วก็ใจเราก็สบายนะครับอาจารย์อืมครับโอเคไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรแล้วครับอาจารย์อขอท่านแข็งแรงครับอ่าอันที่คุณจิ๊บจิ้มเป็นมรงผมแนละ้วจำหน้าไม่ได้ กราวธรรมสการก<ช>ับ<อ>พระอาจารย์ ว, วันนี้มีลูกๆครบสองคนเลยค่ะพระอาจารย์อ่ะเดิดกล่าบลูกสวัสดีจ้า how are you สวัสดีค่ะผูดภาษาจย์ผู้ภ า, า, าษาอังกฤษได้ค่ะเ<า>มื่อไหร่จะมาเ<ก>มืองไทยเมื่อไหร่จะมาเมืองนนไทยไ เวเด็กๆบอก next summer ค่ะอาจารย์ตอนนี้อยู่ชั้นไหนนะอยู่ชั้นไหนกันบ้างตอบสิเเอเป็นชั้นไหนเกรดอะไรเขากำลังนับนิ้วอยู่ครับครับก้าะวันนี้ล่ะสิบสองค่ะสิบสอูลเป็นสุดท้ายแล้วสิซีเนียแลวใช่ค่ะโอเคแล้วอยากจะไปเรียนต่อที่ไหน คุณครูอาจารย์ถไปเลยเขาจะไปตามพ่อเขาดักอะไรนะภาเรนนเรนนรเมเจออะไรอนจิเนียร์บิสเนสบิสเนส่อบิสิเนียร์โอเคดสดีนะ สบายดีค่ะพระอาจารย์ก็เดี๋ยวอีกวันจันที่จะถึงนีก็จะเปิดเทอมกันแล้วค่ะก็เลยอยากให้มากราพระอาจารย์ก่อนเปิดเทอมก็แบบเรียกสตเกิเรียกสติปัญญาช่วงสมร์นี้เด็กลูกๆแบบขี้เกียจนั่งเล่นเล็กโทรศัพท์ทีวีอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เป็นธรรมดาของเขาธรรมดาของเขา ค่ะโยมก็พยายามเข้าใจเพราะก็บอกว่าแม่มันซัมเมอร์โยมบอกไม่เป็นไรโอเคโอเคอะไรเงี้ยแต่ก่อนนอนก็จะพยายามมาสวดมนต์หน่อยนะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เ ข, า ก, ขาก็ทําอยู่ค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์สบายดีนะคะสบายดีโ ย, ยมไม่มีอะไรค่ะก็พยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะโอเคอทุกคนในความสงบเงียนะมือกับลูกสาธุค่ะกับสาธุกับพระอาจารย์รักษาธัตถันนะคะโอเคสาธุ ไปที่คุณคุณหลา้ามีคำถามอะไรบ้างเชิญกราบนมัสการครับพอาจารย์มีทั้งหมดสี่คำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะสองคำถามแรกจากคุณเก่งกราบนมัสการพระอาจารย์ครับการพิจารณาธรรมต่างๆเช่นอาการสามสิบสองอสุภา ษ, ษ, ษิทธาตุสี่ขันห้าง ควรจะพิจารณาอะไรก่อนเลือกพิจารณาอย่างไรถึงเหมาะสมครับก็เบื้องต้นให้พิจารณาร่างกายก่อนพิจารณาว่าร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีตัวตนทำ ม, มาจากดินน้าล ม, ม, มไฟธาตุสี่ไม่สวยไม่งามมีอาการ32ผมขนแน่ฟันหนังแน่อ็นกระดูกพิจารณาปัจจกรันเราจะป่อยวางร่างกาย ของเราและของคนอื่นได้ไม่ทุกข์กับเขาคำถามต่อเนื่องคือเวลาพิจารณาอาการสามสิบสองหรือธาตุสี่ขันห้าเวลาพิจารณาแต่ละตัวต้องเรียงลําดับหรือสลับไปมาได้หรือเลือกพิจารณาตัวใดตัวหนึ่งได้ครับแล้วแต่เราจะเลือกได้เพือร่างร่างการให้พิจารณาเห็นว่ามันไม่เที่ยงอนิจจ์ไอเห็นว่ามันไม่มีตัวตนเป็น ธาตุสี่มันไม่สวยไม่งามจะเรื่องเราทําอะไรก่อนก็ได้แต่ต้องทําให้มันเป็นกิจจลักษณะไม่ใช่พิจารณาโดยไม่รู้วพิจารณาเพื่ออะไรพิจารณาให้เห็นว่ามันว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่าอ๋อมันเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่มันต้องเจ็บต้องตายพิจารณาว่ามันไม่เป็นตัวตนเราไม่ได้เป็นร่างกายเพราะร่างกายร่างกายนี้มันทํำมนจากแค่ธาตุสี่ในน้ำลมไฟมันไม่สวยงาม ร่างกายของคนทุกคนไม่สวยงามถ้ามองเข้าไปข้างในมองเห็นโครงกระดูกเห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้คำถามต่อไปจากคุณภูมิติดในถ้าหลวงเก้าวันทําใจอย่างไรดีครับอทําสมาธิไปเลยเขาอยู่เป็นเดือนเขายังอยู่กันได้อยู่ในถ้ำกันแล้วฝึกสมาธิกันเข้าชานกันไป แล้วก็จะมีความสุดคำถามสุดท้ายจากคุณลัทธชาติพระอาจารย์ครับเราจะตัดอารมณ์ออกจากความคิดได้อย่างไรครับเราต้องมีสติทำเจให้หยุดคิดให้ได้พอหยุดคิดอารมณ์ก็จะหายไปเพราะอารมณ์มันเกิดจากความคิดของเราคิดดีก็เกิดอารมณ์ดีคิดไม่ดีก็เกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมา ถ้าเราใช้สติหยุดความคิดได้อารมณ์มันก็จะหายไปหมดแล้วเนคัยก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิด